จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมาถามตอบคําถามตามแนวตามการปฏิบัติทา่านศีลภาวนาท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาถามคําถามว่าเชิญเข้ามาได้วันนี้เราก็จะเริ่มกับพวกเด็กๆ ก, ก่อน ในข้อมาก่อนก็มีเจ้าแม่กับเจ้าที่ตล<ป>อดน้รัสการพระอาจารย์ครับเป็นอย่างไรบ้างเจครับดีรู้จักกิเลสของเราเรียัครับตอริรู้จักแล้วครับกิเลสทําให้เราสึกหรือทุกข์ก็ถูกมากกว่าครับมากกว่าตกเว้นกันะ สุขมีครับแต่หลัจากนั้นก็ทุกเลยครับเวลาอยากเล่นเกมได้เล่นเกมก็สุกเนียใช่ครับถ้าไม่ได้เล่นเกมก็ทุกเนะครับครับต้องระวังนะอยากเล่นไม่ได้ก็จะต้องเสียใจนะครับครับวันนี้มีการบ้านใช่ไหมใช่ค่ะแล้ววาน เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพนความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพนความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพนความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องผัดผันของรักของจะแรนใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติ ด, ดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเ ร, เราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เ, เราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวักนเถโอเคงา น, นกายอำนีอะไรบ้าง มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกน้ำหัวใจตับทังผืดไตปอดใจใหญ่ใจน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่ในสองสี่สัตว์น้ำดีน้ำเส็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือน้ำมันค้นน้ำปลาน้ำเดืยวน้ำลายน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูด น้ำมูดน้ำเผยข้อน้ำมูดน้ำลายน้ำมันเหลวน้ําตาลน้ำข้นน้ำเหนียน้ำเรื่องน้ำเสียงน้ำเลดน้ำดียี่ในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่แช่น้อยแช่ใหญ่ปอดไปผังผืดตับหัวใจน้ำยี่ในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็กขนผมมีอะไรไหม ไม่มีแล้วไม่มีแล้มีอะไรจะเล่าให้ฟังมืวันนี้ไม่มีไม่มีครับยังไม่นะใครทําให้เราเสียใจไม่ได้นอกจากเราทําตัวเราเองนะครับทําบอืพอเราอยากให้แม่ทําอะไรให้เราพอแม่ไม่ทําใครเสียใจเราเสียใจถ้าเราไม่อยากมันจะเสียใจไหมไม่ครับ จะบอกแม่ได้แต่อยบอกแบบแบบอยากบอกว่าครับจําเป็นต้องทําอย่างมั้นทำอย่างนี้นนแม่ทํำก็โอเคไม่ทําก็โอเคน ะ, ะ, ะแต่อย่าไปบอกก็ต้องได้ไม่ได้เราจะตายอพยายามลดละความอยากนะเอ า, ท, าที่จําเป็นครับ โอเคครับ uh, แม่มีอะไรบ้างแม่ไม่มีอนุปฏิบัติทุกวันโ okay. อเคยังนั่งสมาธิกันอยู่เพราะทุกเกิดยังมีมสวดมนต์ด้วยค่ะแผ่เมตตาด้วยอ่า uh, แผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เจอกับคนอส่วนหนึ่งไม่ได้เป็นการสวดเฉยแล้วเจะเพื่อนที่ร้องเนต้องแผ่ให้เขาต้องยิ้มให้เขาครับ เวลาเขาทำอะไรไม่พอใจก็ให้อภัยเขาแบบนี้เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่นั่งสวยอยู่ที่บ้านเลยไม่ได้ื่นสาครับอ๋อโอเคนะครับอ๋อไอทนักคุณน่ะนอยอยู่ขอบคุณพระคุณพระจันทร์ครับนักคุณเดี๋ยวเอาตัวนะ ถาวันนี้เป็นคนขับรถเ อ, อวันนี้หนูเป็นคนขับรอะครับสวัสดีครับครับเจ้บาบอกว่าอาจารย์ว่านี่เป็น ค, คนขับรถเออคนขับรถสวัสดีครับอาจารย์ดิลุคอามสนชอมสนัส น, น, นี้ทำอะไรสมากวันเรียเยงเสีออยงดค่ะยังชสีออยงดค่ะยังชอนอยียค่ะเจ้าก้อมหุ่นภาษาอะไรภาษาญี่ปุ่นอ่ะอง่วงค่ะว่าอาจารย์อ่างง ภาษอังโอเคไอ้ทักทายกันแล้วนะพอหรือยังโอเคไหมทักทายแล้วนะอันนั้นหนูไปนอนจะแต่ขอถามข อ, ขอขอคําถามหนึ่งได้ไหมค ะ, คะได้คำถามเลยไอ้อนคกอนกอดเยอะจะกอดพระอาจารย์ตีหัวค่ะค่ะโอเคหนูไปถมไปนั่งตรงนี้ก่อนพอจะจัถามพาระอาจารย์ทํานึ่งนะคะพระอาจารย์คะเมื่อวานเนี้ยคะ่ะนั่งเอ่อฟังฟังธรรมในโทรศพัพท์นะคะแล้ว พอดีว่ากำลังจะปิดเครื่องแล้วมันฝีดไปเจอรูปมันเป็นรูปรูปศพรูปอะไรน่ากลัวมากอะค่ะตอนนั้นมันมีสติอยู่แต่ว่ามันรู้สึกว่ า, า, าะ จ, ะจะถามพระอาจารย์นะคณอย่าดีสุขถามว่าไงอย่าสีนะคุณก็นั่งฟังสีแล้วรู้สึกว่ามันมีความกลัวไม่แน่ใจว่าเป็นความกลัวหรือว่าตกใจอะค่ะขึ้นมาแว็บหนึ่งแต่ตอนนั้น คิดว่าตัวเองมีสติอยู่นะคะคือไม่ได้แบบว่าคิดเรื่องอะไรอยู่แล้วก็ไม่ได้ใจลอยไม่ได้อะไรแค่มองเห็นรูปแล้วมันรู้สึกกลัวอันนี้มันคือยังไงอะคะพระอาจารย์ก็คือกิเลสเราไงกิเลสเราเห็นภาพที่มันไม่น่านดูก็เกิดปฏิกิยาอ๋อนะไม่ใช่สติใช่ไหมคะมันคือกิเลสตัวหนึ่งกิเลสความไม่ชอบของภาพที่ไม่สวยไม่งามอ๋อ ตัวนี้เราจะจะจะล้ามันหรือว่าจะออทํายังไงจิตเรายังไม่ไม่แข็งพอที่จะยู่ภาพเหล่านี้เราต้องฝึกสมาธิให้มากขึ้นก่อนหลังจา ก, การเราจะดูแล้วเฉยๆได้เราถืงค่อยดูดูเพ่อให้เราเราต้องการจดจำภาพเหล่านี้เพราะมันจะมาสอนใจเราให้ไม่ให้หลงกับร่างกายว่ามันสวยมันงานมบางทีมันไม่สวยแล้วร่างกายเราต่อไปก็เป็นซากศพ เห็นห น, นที่เราเห็นนะเห็นเหมื อ, อนภาพที่เราเห็นเนอะน่ะเราที่ใจเรามันไม่แข็งพอที่จะมองก็เฉยเฉยได้ม อ, อมองเกิดอาการไม่ดีขึ้นมาต้องฝึกสติฝึกสมาธิให้มากกว่านี้ก็คือต้องให้มันมีพลังแข็งฝึกสมาธิเข้มให้มันนิ่งให้มันนิ่งให้เห็นแล้วก็เฉยเฉใจนิ่งแล้วไมเห็นอะไรก็เฉยเฉย ไม่กลัวไม่น่าไม่ช้ำอ๋อค่ะก็พยายามคิดว่าเอ้สจะว่าเราไม่มีสติเราก็มีสติก็เราตั้งก็เราตั้งสติแล้องลองดูกันเถอะถ้ามีสติก็ต้องดูมันได้ใช่ไหมคะครูได้มันรู้สึกเหมือนแบบว่างๆเย็นๆขึ้นในใจตอนนั้นประมาณตีสองแล้วอะค่ะก็เฮ้ยทำไมรู้สึกก็เลยนอนมีสติแต่มันไม่มากพอที่จะดูภาพแบบ่นี้ได้ ต้องฝึกเพิ่มขึ้นในขณะนั้นพยายามพุโทโธพุโทโธนะคะตอนตอนที่<ก>ฟังก็ดีก็ดีเลวเลาเวลาใจไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่นด่งก็ต้องใช้พุโทโธช่วยค่ะอนจะทําใจสงบแล้วก็ลงมานอนได้พอลงมานอนได้ก็ ไม่การนั่งแบบที่ปกติก่อนนอนจะจะนั่งนิดนึเ ด, ดียงเดียงกล้าหลับตาอยู่บางคนไม่กล้าหลับตานอนอีกค่ะหลับตาไปแล้วก็ทําให้มันนิ่งไปคิดว่าแบบพูดโทแล้วก็ให้นิ่งนิ่งไปเออมันก็มันก็วูบไปนิดนึงแล้วก็มันรู้สึกรู้นะคะปลอดภัยหรือว่าสบายใจกว่าตอนนั่ ง, ร เ, งรเราพิจารณาต้องต้องฝึกสมาธิก่อนการที่จะดูของแรงได้ต้องต้องฝึกสมาธิก่อน ดอความตายดูสร่างศพเนี่ยมันต้องมีสมาธิม า, มากถึงจะสิ่งนี้ใช่ไหมคะที่แบบว่าคนที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆถ้าไปเจอหรือไปเห็นภาพนิมิตอะไรถึงทําให้แบบว่าเสียสติหรืออะไรไปได้เป็นเพราะสติตัวนี้ที่ไม่พอใช่ไหมคะก็มีส่วนแต่ ส, ส่วนก็นคือไม่มีปัญญาไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ลองคิดว่าเป็นยุ่งเรน น, นี่ขึ้นมาอืม ถ้ามีปัญญาเขรู้ามันเป็นแค่เป็นภาพค่ะค่ะใช่พอพอมานั่งคิดตอนเช้าค่ะโอ้ก็กลัวไปได้นะมันเป็นมันเป็นรูปในในอะไรก็ไม่ทร า, า, าบอะค่ะแบบน่า ก, กลัวมากมีเลือดมีมีอะไรติดแล้วก็เลยบอกโ อ, โอ้มันติดติดตากว่าจะลืมได้ออ่แบบอาพยายามดูถ้าดูบ่อยๆแล้วความความ การมาลงมันก็จะหายไปมันเห็นว่าไปนอนอย่าซากสองมือเห็นแนบซาบสอยในร่างกายคนจะซากสองเอืมค่ะโอเคมันขึ้นแต่มันมันเกิดได้มันก็ดับไปได้เร็วเหมือนกันนะคะพระอาจารย์ไอความกลัวเนี่ยแต่ตอนที่มันขึ้นบอกว่าเท่างหร่อยากดูมันกลับมาเปล่าก็ดูมันใหม่ เดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ลองไหมันจะเด้งขนมอีไหมอันเนี้ยอ่าโอเคแต่ที่ที่เราที่เราที่เรารู้สึกกลัวแล้วเรากลับมานอนนอนสมาธินี่เราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ได้ก็นอนก็นอนก็นอนโมกนอนก็นอนหม่หมายถึงว่าที่เรากลัวแต่เราพยายามที่จะทําให้กดความกลัวมันเนี้ย ยังมไม่ควรถูกต้องไหมครอ่ามันกลัวน้องทำให้มันหายไปเลยกลัวมันดีทีไรร่ไหนแต่ก็ต้องฝึกสติฝึกสมาธิให้แข็งก่อนค่ะโอเคค่ะจะพยายามฝึกต่อไปค่ะพระอาจารย์อโอเคสาจารย์ับนไปที<ด>่หอมอพิเชศได้นะหมอพิเชจาชิญกลับนมัสการพระอาจารย์ครับ ขอคระเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายจิตออกนอกเป็นสมุทยัยจิตเข้าข้างในเป็นมรรคครับพระอาจารย์จิตเราเนี่ปกติมันจะอยู่ข้างนอกมันจะอยู่กับรูปเสียงกลิ่นด้นต่างมันจะคิดแต่รูปเสียงกลิ่นด้นแล้วก็แล้วก็ใช้ตาพุ่งจมูกยื่นกายไปไปสัมผัส แล้วสมัมผัสแล้วมันก็เกิดปัญหาความอยากขึ้นมาอยากได้บ้างอยากไม่ได้บ้างอย่างเมื่อกี้นะเมื่อคุที่เมื่อกี้ไปเห็นภาพมีหน้าเกลียดหน้ากลัวก็ไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะมองก็เป็นสมุทัยเมื่อเป็นทุกข์สิเรามีสมุทัยต้นเหตุของสมุทัยก็คือความรากความชั่งนั่นต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความรากความชั่งพอไปเห็นท่ามันก็เลยทุกข์ สัมผัย่รูปเสียงกินรสที่ไม่ไม่ไม่ปรารถนาเนเวลาเราหนึ่งปิดเข้าข้างในเพื่อเดินออกจากรูปเสียงกินรสด้การใช้สติวุทโธพุทโ ธ, ทธนั่งสมาธิหลับตาหยุดต า, ห ย, ดตาหยุดตาปิดกาวาดอาจะ บ, บ่งนิน่งกาแล้วก็ปิดความใจปิดความคิดด้วยสติแม่้มันไปคิดถึงอะไรพอจิตเข้าข้างในมันก็เข้าสู่ความว่า เพราะว่ามันก็สงบมันก็เป็นมันก็เป็นอาชุดตกางๆก็หายไปเเป็นมรดกจิตสงออกข้างนอกเป็นสมุทัยจิตเข้าข้างในเป็นมรดกมรดกคือสติสติเนี่ยเป็นมกรดกประกอบของมรดกสัมมาสติให้สติหนึ่งใจให้เข้าสู่สู่รูปนะครับเข้าสู่รูปปัจจัยก็ก็จิตแค่สงบเนื่ง เป็นองค์เบขาขึ้นมาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่คือจุดที่เราต้องการให้จิตอยู่ให้หนาที่สุดให้มากที่สุดมาเป็นจุดที่ปลอดภัยจุดที่สบายจุดที่เย็นที่สุดแต่พ อ, อมาสัมผัากับรื่นเสียงินแล้วก็เหมือนกลับเข้ากองไฟพระเจ้าบอกว่ารื่นเสียงกินร้อยผลประนี้เป็น หนึ่งหน่นกองไฟา น, า, น, น, น, น, นาค า, ก, ห า, หาค ก, ก, กินนะโทสะกินนร้อนด้วยด้วยร้อนด้วยราคะร้อนด้วยโทสะร้อนด้วยมวะเราสัมพันธ์กับโลกเสียงกินร้อนเนียเราติดตามกันหนึ่งเลยร้อนใจร้อนขึ้นมาทีมีแต่เรื่องร้อนๆทโลกนี้อต่ก็ติดมันมันติดยาเสพติด พุณจะบให้เเข้าในเข้ า, ขามอาอกเข้ามันจาบอกข้างนอกขณะไปปฏิบัติยังเอามือเทิงไปด้วยไนเปิดดงหนึ่งยนมือเทอแล้วก็ ส, ออก ส, อส่องออกอยะมลูกเสียงเกล็ดรอดอย่นะาลูกเสียงเก็ดไม่มีฮนนี่คือรู้สึกคำพูดขององตูนุนจิตออกนอกเป็นสมุทยัยจิตเข้าข้าไหนเป็นมาก พอเข้าในมันก็มั่งไปผู้ห น, นึ่งเจ้ามาในพอ ม, มาเข้าในเป็นมั่งนิโรธก็คือดทุกข์ก็หายไปหมดชั่วข่าวแต่เพราะว่าสองติดอกเข้ากันมันก็เกิดสมุทัยเกิดความอยากตา่างเแต่ความอยากทุกข์กา็ต่าง ม, มาท่านแสดงอริยสัจสีแบบสั้นๆให้เราเข้าใจ จิสมังออนอกเป็นสมุทยัยสมองนอกหมายถึงเอา อ, ออกจากผูออกก้รู้ไปหาลมกเสียงกิแล้วพอถาอำนาเรื่องสรรเสริญแล้วก็ทุกร้อนกันไปเลยนะตอนนี้กำลังหายตย์กันนตทำไห น, หไหนมุ่นกันหมดนะคนกี่ร้อยคนเนะี่นนออกก็นั่งแยกเกาอีกันนะกินไม่ได้น้อนไม่หลับด่า ก, กันไปด่า ก, กันมา เห็นหมาแยกกระดูกเห็นหมาแย่งกระดูกว่เราโยอกระดูกไปสักก้อนชิ้นหนึ่งเห็นหมาอยูกลังเล่นกันดีๆนี่ไปโยนกระดูกไว้นี่วันมันแย่งกัดกันเนี่ยพวกนี้ไม่มีธรรมเลยไม่มีปัญญาเลยแล้วก็เอามานำเอามาเป็นผู้นําประเทศเนี่ยก็จะนําไปไหนก็นําไปสู่กองไฟ นำไปสูความชุบกข์ต่างๆไม่ได้นำไปสู่ความสงบเพราะตัวเองไม่รู้ว่าความสงบเป็นยังไงไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระเจ้าออกปาลาหาล่าแล้วสุดแล้วเสือหาลูกสิงห์ก็แยกกันไปแยกกัน อย่างแล้วก็เกิดโทสารกินาการาคาเกิดกรณีพิพาทแตกขึ้นมา อ, อง้อมกันเป็นองศาส า, สารแล้วก็สารวันไม่ต้องทำเลยมันคอยรับคดีเมินประมาทกันไปเมินกันไปนะครับกระจายรอย่าระจยมากขึ้นเลยครับอาจารย์ อย่อย่าส่งออกข้างนอกอย่าไปหาลูกศิษย์กินรถกอนพระอย่าไปคิดหาราบยศสรเสร็จถ้าทเป็นจะหาราบมาหาพอมาเน้นปากเล้นทองก็พออันหนพอเล้นปากเล้นทองหมดยศก็ไม่เอาจะให้เป็นผู้อออๆเขาไม่ตเปน็นจะให้อะไรก็ไม่เอาเขาจะให้รงหางวัลเกียรติคุณอะไรต่างเขไม่ต้องเน้ ไ, ม, ไ ม, ม่เอาเากะขอญายืดให้เราไม่ได้เคลื่อนรับไปเพื่อไม่ได้เสียมารา ย, ยา เราไม่ไปสวัสดีอยากจะเป็นศาสนาชาติจิตที่คุณเอยอาจจะเป็นนู่นเป็นนี่มันเป็นมันเป็นของหลอกของปลอมตันง้นขึ้นมาแล้วก็อยากไปหาความสุขจากรูปเสียกินแล้วเวลาอยากจะมีความสุขก็ไปนั่งสมาธิเนีไงจิตเข้าข้างในมา สงบไมีควาบศพแต่ความสงบซึ่งมีควาบศพนะเราคราบศบทั้งปวงหะความสบข้าไในเราดีค่าไม่วุ่นวายไม่ยุ่งกับใครไม่ต้องไปแย่งแขแย่งชิงนกับใครันก็ไปของไม่หมดวาลแย่งกันไปเนี้ยไมนกี่ปีก็หมดแล้ะไม่เข็ดไม่เบื่อเลียกันมาต้านาแล้วก็ เราไปเป็นทัพพันเนี่ยมดแล้วละเอาเรื่องกันใหม่เดี๋ยวก็ถูกล้มก็นานใหม่อาผ่านไปปล่อยให้หาเสียงกันใหม่เอากันใหม่ก็เป็นเรื่องของความหลงนะกข้ใจนะ เราเชาวพุทนเรามีพระอุตธเจ้ามีก็ทำพระอริยสงฆ์ตอนนี้เราก็หาความสุขที่ที่ดีที่สง บ, บที่ปลอดภัยที่ม่มีเรื่องความวุ่นวายต่างต่างโอเคนะครับครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับไปด้วชยัยได้คุณศาสตร์การ ไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์ประฟังค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปภาวนาค่ะไปบนขาแล้วอะค่ะไปไหว้ค่ะโอเคคราวนี้ไปกี่วันนะ10วนัน10คืนค่ะพระอาจารย์โอ้โหเอายาวเลยนะค่ะเราดูสาธุสาธุคุณอนันต์เชิญคุณเทแรรณพแบบนมเสการค่ะพระอาจารย์ ก็มารายงานผลค่ะจากมีครั้งหนึ่งได้ขอคําแนะนําพระอาจารย์ว่าเวลาโยมนั่งสมาธิไปได้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งจะเกิดอาการปวดขามากแล้วพุโทโธก็เอาไม่อยู่ท่านเคยแนะนําให้ลองสวดอิติปิโสเมื่อวานก็เป็นครั้งแรกที่ ท, ท, ที่ผ่านไปได้ไหมายความว่าก็สวดอิติปิโสแล้วความเจ็บมันก็ คือมันก็หายไปได้แล้วมันก็ข้ามหนึ่งชั่วโมงที่ทุกครั้งจะข้าบไม่ได้ทุกทีเวลานั่งภาวนาเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นครั้งแรกที่พอข้ามไปได้แล้วมันก็พบกับความเย็นอีกแบบหนึ่งนะจา๊ะแปลว่าพอพอความเจ็บตรงนั้นอ่ะมันไม่ไม่ได้รู้สึกเหมือนทุกครั้งมันก็พบกับความสงบกับเย็นอีกแบบอีกแบบหนึ่งขึ้นมาตอนที่เราไม่รู้สึกเจ็บแล้วมันนึกมาถึงเมันมันนึกมาเก่าแล้วมันผ่านความเจ็บได้ความสงบมันจะมากกว่า มันเป็นยังไงมาเพราะรู้สึกว่าเย็นขึ้นมาอยู่ดีขึ้ น, ข, นขึ้นมาเลยครับอาจารย์นั่นต่อไปมันจะไม่ใคร่กลัวความเจ็บมันรู้จักวิธีรับนับกับความเจ็บได้อแล้วติด<ว>ตัวใส<ป>่น้อยหงต้องขยันสวดความสวดไปคือตอนนั้นสติลราหมดครับกิเลสมันจะบอกให้เราเลิเเเกเลิกเลิกเจ็บทนไม่ไหวแนละ้วเราต้องเลด่อนเสื่อเต้องปลุกสติขึ้นมาใหม่ดึงจิตครับเข้าข้างในงใหม่กิเลมันบอกให้ออกข้างนอก อ, อกรกไปหาลูเสียงเกยรติเราเรายังอยากจะอยู่ข้างในต่อจะอยู่ได้ก็ต้องมีสติต้องสร้างสติขึ้นมาถ้าใช้พูดโธไม่ไหวก็ใช้สวดไปอสวดบุญยาวๆสวดส ว, ส ว, ส ว, สวๆๆดบุญสั้นๆแต่หลายๆรอบก็ไดะสวดไปใจกว่าใจใจะเย็นพอใจเย็นแล้วความเจ็บมันก็จะไม่ลำขาดเราก็ไม่จะไม่รู้สึกลำขาดความเจ็บความเจ็บบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอยู่มัได้ออื ก็เลยรู้สึกว่าเป็นเป็นเป็น achievement ครั้งแรกที่เห็นหเห็นเห็นเห็นความแตกต่างจากพอเราข่ามันไปได้ข่ามมันไปได้ใช่ค่ะอาจารย์ถ้าเราข้ามวิถีทางไม่ได้ใเจิตเราจะมีพลัง ม, มากมีกาลัง ม, มากมีความกล้าหมากไม่กลัมมกลวเรื่องความเจ็บไลยเขาคิดว่าคงต้องต้องทําบ่อยๆด้านอะ <ทำ S 1> ไ ม, มันเจ็บอย่าเริ่มอก น่าจะต้องทําไปบ่อยๆจนทำทุกวันเทำไปเรื่อยๆอค่ะก็จะทําไปเรื่อยๆแล้วก็จะคอยอะไรเพื่อในเวลาเย็นเราห่างต่อไปเดี๋ยวมันก็เกิดเจ็บขึ้นมาใหม่ก็ลองดูสู้มันอีกรอบหนึ่งอ่ะเป็นรอบๆไปไอไปไ่าเป็นอเป็นยกยกไปน่าจะต้องย่อกยอกไปกเอาให้มันเอาให้มั น, มนไม่กลัวมันเลยมันจะมาเกลื ปีรอบปีครัเราต้องจังวิธีส่ง ม, มันนะเหมือนที่ความเพียรของเราเพี ย, ยายามสวมนรืเปล่าค่ะเพราะว่าในใจก็คิดเล็กๆว่าเมื่อวานนี้กคือคิดวันนี้เอยวจะเข้าสูมต้องส่งกันบ้านให้ได้ใช่ไม่มวันนี้จะต้องอยู่เมื่อคืนก็คิดว่าเราต้องต้อ ง, ต, องต้องสู้กันสักยกหนึ่งต้องต้องสู้กันสักจมหนึ่งว่าจะฆ่ามันได้ไหมใช่ค่ะเด็กค่ะ ก็เลยมากาบเรียนพระอาจารย์ว่าจะคําแนะนําพระอาจารย์ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะพระอาจารย์ที่พยายามก็ก็พอเราได้เราก็เลยคิดว่าวันนี้ก็เลยอยากมากับเรียนพระอาจารย์ว่ามีความก้าวหน้าขึ้นมานิดหนึงนะะ่งพยายามรักสาเไว้ให้มาได้ไหค่ะอาจารับกับคุณค่ะอาจารย์ถ้าไปเวลาร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ทําใจใเฉยๆได้ไม่ต้องวิ่งหา ย, ยา ก, กิน ไ, ได้ประการไปก่อนบางทีมันเป็นนิดเดียวแลยวมันก็หาวันนี้ ค่ะได้น<ด>ะคะอาจารย์ดีมากเลยค่ะการต อ, อบแกไปที่โกเบมจุนน้ำมศการค่ะพรอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามาค่ะสบายดีนะไปายดีค่ะพระอาจารย์ที่ทํางานก็โอเคแลตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะพรอาจารย์หนูไม่ค่อยคิดมากอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์ บ่อยว่อยวันใครก็จะพูดอะไรทําอะไรก็ห้ามเขาไม่ได้ แ, แผ่เมตตาให้เขาให้อภัยเขาอ<แ>ย่าถือโ<ะ>ทษกดเคืองค่ ะ, ะไม่จะพยายามไม่ถือโทษกดเคืองเขาค่ะพระอาจารย์อันนั่นแหละเรียกว่าแผ่เมตตา แ, แผ่ด้วยการกระทําไม่ได้แผ่ด้วยการสวด น, นะค่ะพระอาจารย์จะพยายามค่ะพระอาจารย์อันนี้อยู่คนเดียวสวดทายไมตตามันก็ไม่ไม่มีความรู้สึกอะไร แตกต่างกันนะแต่สวนสวดเพื่อให้จดให้จำว่าเมตตามีอะไรบ้างไม่จองเวไม่เบียดเบียนให้ทำร้ายร่างกายจิตใจทำรุูนให้ความสรุ่นนี่คือเมตตาโอเคนะเดีย๋ยวไปที่ท่านต่อไปขอบคุณพระอาจารย์ที่สั่งสอนนะคะพระ อ, okay. อาจารย์อเอาไปปฏิบัติก็แล้วกันสอนแล้วไม่ปฏิบัติกันกันเลย ทำปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ทำปฏิบัติแล้วก็หายเ น, นื่อยพระคุณค่ะอะไรที่อาจารย์ทำไม่ได้ก็ทำบ่ยังไงกูหูอยู่ ว, ว, ว, ว, ว, ว, ว่าทำนอสการค่ะวันนุรรูกคุณไปมิทติงต้ง c i t ี Bank ค่ะเดี๋ยวมาแล้วค่ะเป็นแบบพวกเพกื่อนเก่าที่ทำงานในงานดี้อะไรอย่าเงยใช่ค่ะ<ม> ก, ก็เกษีกันหมดแล้วค่ะ เขาก็มารับถึงบ้านค่ะคนหนึ่งมารับคนหนึ่งมาส่งเพราะว่าสูงวัยที่สุดในกลุ่มที่ยังมีชีวิตอยู่ในกลุ่มนี้นะกลุ่มกลุ่มหนุมๆค่ะค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะอาจารย์น้ามารับฟังค่ะอีสาธุไปที่ดาทาิวันแม่ลูกอุศานิทยานามัตการนามัตการสวัสอาจารย์ ถึงบ้านโดยโดยสวัสดิภาพค่ะอาจารย์วันที่ไปฟังธรรมน้ากุตินะคะมันเป็นการฟังที่อย่างตั้งใจแล้วก็ฟังไปน้ําตามันก็ร่วงน้ํามูกมันก็ไหลดีว่าพี่แก้วเดินผ่านมาพอดีบอกขอทิชชู่หน่อยได้ตัวช่วยค่ะนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของทางวัดไทยกุตินารายม์ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะโอนปัจจัยไปทําบุญให้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็ปลดล็อกไปค่ะเด คณิยมมีเรื่องสงสัยอยู่เรื่องนึงนะคะ่ะจริงๆสองเรื่องแต่บังเอิญนะหมอวิเชตเขาท่านท่านพูดไปแล้วโยมก็ได้คำตอบแล้วอะคะ่ะเรื่องนี้มันมาจากการที่อ่านทารู้ค่ะตอนอ่านครั้งแรกอ่านไปรอบแรกก็จบไปแล้วก็ตักแต่ว่ารู้แต่พอมาอ่านรอบสองที่นากุติวันนั้นที่นั่งรอก็มาเจอตรงที่ว่าสมัยพุทธกาลจะให้ไปอยู่ในที่ ก, กลัวๆเพื่อที่จะได้กลัวสุขขี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ โยมก็ย้อนกลับมาตอนที่สมัยเมื่อหลายปีที่ผ่านมาตอนนั้นโยมยังไม่ได้เจอวัดยานยังไม่ได้เจอพระอาจารย์นะคะโยมก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งที่ชนบุรีเนี่ยค่ะแต่ว่าเป็นที่ที่วิเวกจริงๆวิเวกจนวังเวงเลยค่ะไม่จะไม่มีไฟฟ้ า, ฟาใช้ตัวเรือนจะถูกปกคลุมไปด้วยป่าค่ะจะไม่เห็นใครตอนนั้นก็อยู่ไปจนกระทั่งคืนที่หกอะค่ะคืนที่หกนี้มัน อยู่ๆพอนั่งสมาธิเสร็จอะไรเสร็จตอนนั้นสี่ท่มโยมก็จับไฟล้มตัวลงนอนแล้วก็เสียงเหมือนกับมีการปากุติไอปาหลังคาเรือนนะคะแล้วก็มีเสียงลากเท้าเดินรอบๆตอนนั้นความกลัวมันมาแบบเงื่อแตกเลยคะ่ะโยมก็สวดอิติปิโสอิติปิโสเอาไม่หยุดค่ะพุโทโธใหม่พุโทโธก็เอาไม่อยู่ไม่อยู่เงือแตกแบบเงือแตกหมดเลยคะ่ะแต่เสียงแล้วก็ยังดังก้องแต่ แล้วก็คราวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนอีกมานิมนต์ครูบาอาจารย์ที่นับถือก็เอาไม่อยู่ค่ะยังเสียงนั้นยังดังอยู่ยังกลัวกลัวแบบจริงๆแต่ไม่ลืมตานะคะคราวนี้โยมมาถึงบทสุดท้ายคืออัลาธนาขอบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าได้โปรดคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเถิดจากนั้นก็พุโทโธใหม่พุโทโธเป็นระยะๆมันก็เสียงมันค่อยๆเบาลงตัวโยมเหมือนถูกครอบด้วยฝาชีแล้วก็ ตัวเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจนกระทั่งมันหดเป็นเล็กวูบไปเลยค่ะแต่ว่าขนาดนั้นเสียงที่รอบๆอยู่ก็เบาพุทธยมก็เบาตอนนั้นโยมไม่ได้คิดอะไรห่จนกระทั่งมาอ่านธาตุรู้ก็เลยเริ่มสงสัยว่าไอ้อาการที่โยมเจอ น, นั้นมันเข้าสู่คอม t ตโซนหรือว่าเป็นการรวมะอะคะก็มันก็คล้ายๆอาจะเรียกว่างวงก็ได้จะสง บ, บก็ได้ปลอดภัยเป็นจุดที่ใจ ใจใจสงบใจให้กลัวใช่ค่ะตอนนั้นคือแบบเสียงมันดังมากครั้งแรกดังมากแต่พอเราเริ่มภาวนาแต่ภาวนาไม่ได้เร่งแบบพุโทโธพุโทโธนะคะจะภาวนาแบบพุทธหายลมหายใจเข้าหายใจออกตามลมหายใจอะคะ่ะแล้วมันเบาเบาเบาเบาเบาแผ่วๆไปเสียงจนกระทั่งเงียบพอตอนเช้าตื่นมาก็ปกติค่ะไม่ได้ว่าหวาดกลัวหรืออะไรนะคะตื่นมาก็สดชื่นเหมือนเดิมตื่นตีสี่ ก็มันกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งคือเดินรู้นั่งรู้ทํากกระดุมเสื้อทุกอย่างรู้ไปหมดเลยค่ะอยู่กับกาปัจจุบันอย่างอย่างไม่เคยเกิดมาก่อนนะคะอาจารย์ไม่ไปคิดโปรแกรมถึงเมืม่อไหร่คไม่เลยค่ะแบบว่าโอ้โหอีกเจ็ดวันคือเป็นคืนสุดท้ายที่จะกลับอะคะ่ะก็เลยแบบมาถึงเจอในท่ารู้อ๋อไอความกลัวสุดขีดแล้วก็ มันเป็นแบบนี้เองแต่ตอนนั้นยมยังไม่เจอพระอาจารย์ไงคะ mm hmm. ยมก็ทำของโยมไปตามประษายมอะค่ะผิดๆถูกๆทําไปจน mm hmm. กระทั่งเสียดายว่าถ้าเรารู้ก่อนเราก็จะตักแต่ว่ารู้แล้วเขาก็จะดับไปเองแบบนั้นนะคะแต่มันก็ตอนที่เราไม่รู้ก็ทําให้เราเหมือนกับว่าเรามีสติอยู่กับมันอยู่สติอยู่กับการภาวนาคะ่ะแล้วก็จนกระทั่งมันก็ เหมือนกับเล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วก็เล็กไปหมยเลยอะค่ะเล็กจนไม่เห็นเลยอะค่ะตรงนั้นอันดีมันบางทีถ้างอาสัยคามกลัวบังคับให้เราภาวนาถ้าอยู่ที่สบายสบายมันขี้เกียจขี้เกียจพุดโตขี้เกียจสูญหมดพอไปเจอผีเจออะไรเขโอมันสวยกันอย่างเดียวไม่คิดถึงเรื่องอะไรนะตอนนั้นตอนนั้นเหงื่อแตกมากเลยนะคะรู้เลยว่าเหงื่อมัน อ๋อที่บอกเหงื่อการไหลแต่อแบบมันเป็นแบบนี้นี่เองแบบแต่ดีว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้กรีดร้องหรืออะไรเป็นคนที่ไม่กรีดอยู่แล้วอะค่ะ<ๆ>จะไม่ร้องอยู่แล้วแต่หลับตาแล้วก็ภาวนาอย่างเดียวค่ะตอนเช้าก็ตื่นมาแล้วก็มาลองดูมาลองสวมรองเท้าเดินรอบกุฏิมันไม่ได้นะแสดงว่าแต่ว่าโยมไม่สนใจแล้วค่ะว่ามันเกิดจากอะไรแต่โยมกลับมาดูอ๋อผลที่มันได้อ่ะค่ะมัน<ๆ>มันเป็นกำลังใจพอมาอ่านท่านรูป้ปุ๊บ เฮ้ยนั่นแสดงว่าตอนนั้นเราความกลัวสุดขีดมันเป็นแบบนี้นี่เองอะค่ะอเสียดายแต่ว่ามันก็คือได้เป็นให้กับเป็นแนวคิดสําหรับที่คนที่ฟังไปได้เอาไปใช้ต่อแล้วถ้าต่อไปก็ถ้าเราเจอกลัวแบบนี้ปุ๊บเราก็รู้อ๋อเดี๋ยวมันก็ก็ดับไปอะค่ะเป็นประมาณนั้นค่ะขอเพิ่มเตค่ะหรือถ้าได้ดีก็ใช้วิญญาก็ได้ว่ามันจะดับไม่ดับก็ไม่เป็นไรมันจะทําให้เราตายก็ไม่เป็นไรเ ยอมตายมันก็ตอกันมันก็จะได้หายกลัวแบบแบบท้าวอนไปเลยค่ะ แ, แต่ตอนแรกๆอ่ะก็เมื่อไหร่มันจะเงียบเมื่อไหร่มันจะเงียบนะคะแต่ว่าไม่ได้กลัวตายคะ่ะอาไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าต้องตายตอนนั้น อ, อนั้นยังไม่มียังไม่มีปัญญาค่ะจนมาเจอนี อ, อ, อาจารย์เนี่ยค่ะพอยมออกจากวัดนั้นวันรุ่งขึ้นยมไปฟังธรรมอาจารย์บนเขาเลยค่ะ วันนั้นเป็นวันแรกออกจากวัดนี้ยมไปขึ้นเขาฟังธรรมอาจารย์เลยค่ะแล้วจากนั้นมายมก็มาวัดนี้่ค่ะขอบรพระคุณอาจารย์นะคะส<ช>่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ยมจะถามคือยมเนี่ยชอบถ่ายภาพแต่พอมาฟังที่อาจารย์ต่อไปเมื่อกี้อย่าส่งจิตออกนอกแสดงว่าโยมต้องกลับมาพิจารณาตัวเองนะคะใช่ยังจิดรูปอย่าจิดรูปเสียงจิตร้อใช่ค่ะยางขาครับสอบไปรูปเสียง นั่งสมาธิก็อกชอบนั่งแล้วนั่งลืมตาดูท้องฟ้าใช่นะนเติมรูปอย่างแสดงว่า<น>ยอมยมควรจะตัดตรงนี้ออกไปใช่ไหมคะใช่ควรจะตัคนจะหลับตาดีกว่าหลับตาแล้วก็ไปนั่งชายทะเลยมก็ลืมตาเรานั่งหลับตาแล้วนึกถึงชายทะเลไายก็ได้แต่อย่าลืมตาให้มันเดินเข้ามาในใจเติมรูปทั้ง เหมือนเป็นกระสิ์เนี่ยกระสิ์เนี่ยเขาก็เอาสีเขียวสีแดงเข้ามาในใจให้หมองหลับตาแล้วก็เห็นสีเขียวถ้าเรากําหนดสีเขียวเรากำหนดดูสีเขียวถ้าชาช ด, าดูเท่าฟ้าชายทะเลก็กาหนดเท่าฟ้าชายทะเลขึ้นมาในในบรรจบภาพแต่ถ้ากรณีที่เรากําหนดภาพเนี่ยแล้วเราจะต้องตั้งจิตไว้ตรงไหนอะคะที่ภาพนีือก็ดูกันไง ถ้าเราไม่ตั้งมันก็จะหายภาพไม่ได้อยดีมันจะอยู่ไปได้แล้วต้องมันต้องนึกมันนึกมันนึกมันอย่เรื่อยๆถึงจะพอเพียงสงนะตอนนี้เราหมอบตามเนิกถึงภาพก็าเราเนิ่นเขียนมาเรียนเนิ่นมันจะภาพมันย่งยโพล่ขึ้นก็ได้อย่างอย่างกรณีที่โยมไปรอบนี้ไปฟังธรรมพอเสร็จบัตพระอาจารย์เสร็จโยมก็มานั่งที่ชายทะเลใช่ไหมคะแล้วขนาดต้นแดดมันร้อนๆ้อนอุ่นอุ่น มันก็จะเป็นแสงแบบสีเหลืองสีแดงปลส้มอะค่ะเกิดมาโยมก็มันว้องเวิงวังวังเลยนะคะก็ไม่ใช่บอกใช่ค่ะก็เลยขนาดหนักเลยค่ะโยมขนาดขับมอเตอร์ไซค์จากแววงไปกรุลงสิบหกกิโลเพื่อไล่ถ่ายภาพทับก้นเมฆนี่แหละค่ะมันเป็นอะไรที่แบบพยายามตัดอยู่ค่ะจย์พยายามจะทำให้ได้ค่ะโอเค ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ได้ขอ้อกระจาดแ <y> ล้วค่ะสิทยามีอะไรบ้างรรมศาสตร์อาค่ะพระอาจารย์มีสองสามคำถามค่ะเออพยายามแก้ปัญหาแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ค่ะพระอาจารย์อืมเรื่องการขึ้ น, นที่ผ่านมาที่หนูเคยเล่าพระอาจารย์เรื่องเวลาที่เห็นสัตว์มันใกล้จะตายค่ะพระอาจารย์หนูจะมีปัญหามากถ้าสมมุติเห็นศพหรือเห็นคน ตายไปเลยอ่ะมันจะยังจะดีกว่าค่ะแต่ถ้าสมมุติมีคนมันเขาร้องด้วยความเาจ็บปวดอ่ะอคะ<อ><ม>ยังหดสงสารเขาไม่ได้ค่ะแล้วมันก็มันมันยังขึ้นมาตลอดเวลาค่ะบางทีภาพยังติดตามทีเล่นกับลูกหมาข้างทางแล้วอยู่ๆมีรถคันนึงค่ะเขาอยู่ๆก็พุ่งมาแล้วเขาก็ทับลูกหมาแบบตายไปต่อหน้าต่อตาหนูเลย <c oughs> ค่ะมัน มันต้องดูว่าเป็นลอนัตตาในเรื่องของธรรมชาติเหุการปรากฏการทางธรรมชาติที่ไม่มีใครไปอไปป้องกันหรือไปเปลี่ยนแปลงมันได้อให้มันจะเกิดก็เกิดม่ันจะมองว่า เ, เป็นเรื่องของกรรมของเขาก็อื้เราทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมเราช่วยไม่ได้ห้ามไม่ได้อเราไปทุกข์ก็ไม่กัดประโยชน์อะไร เราต้องเราต้องทำใจเฉยอุเบกขาเราไม่ถ้าเราไม่ฝึกสมาธิเราก็เฉยไม่ได้เหมือนเมื่อกี้คนแรกที่เห็นภาพสดก็เฉยไม่ได้นี่เราก็เห็นเห็นภาพอของอาจารย์หรของคนที่เขาทุกทรมานอยู่ก็ทำใจเฉยไม่ได้มันค้างคาใจนะคะพระอาจารย์ว่าถ้าเรา ตอนที่เขากําลังหายใจรวยลินอยู่ถ้าเราไปช่วยเขาจะรู้สึกดีขึ้นหรือเปล่าเรายังขาดอะไรหรือเปล่าที่มันทําให้เขารู้สึกดีขึ้นได้ระหว่างเปลี่ยนผ่านการก่อนที่เขาจะตายไปอ่ะค่ะรู้สึกค้างคาใจตรงนี้อค่ะพระอาจารย์มันผ่านไปแล้วไปค้างคาใจก็ไม่รอคราวหนะ้าท่าเจอใหม่ก็ลองดูไปลองดูใหม่ <means. S 1> ถ้าเจอแบบรายการแบบนี้ใหมน่นก็เรามาช่วยก็ดูเลย เนื่องกับเรื่องเก่ามันผ่านไปแล้วไปคิดทำมันเสียไปแล้วไม่เกิดประถ้าอยากจะช่วยก็ต้องรอมีเหตุการณ์ใหม่ให้เราช่วยแล้ค่อยเข้าไปช่วยดูช่วยเดี๋ยก่อจะช่วยไม่น่าก็ต้องอยู่เหมืนปั้มหัวใจปั้มสามสิบครั้งสี่สิบครั้งมันก็ไม่เฟิร์มอยากไปปั้มมันทำไมต่อใช่ไหมถ้าเงายอมรับความจริงอันนี้จา มองไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องดับไปไม่ใช่เลยอนุตตาไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราสเสมอไปถ้าอย่างนั้นถ้าหลังจากที่หนูนั่งสมาธิค่ะพวกสิ่งที่ค้างคาใจพวกนี้เอามาพิจารณาหลังจากออกจากสมาธิดูบ่อยๆก็น่าจะช่วยได้ไหมคะพระอาจารย์เรื่องก็ไม่รู้ว่าก็าไม่รู้ว่าจะพิจารณาทําไม มันผ่านไปแล้วมันเป็นมันเป็นมันเป็นอดีตไปแล้วเราไปเปลี่ยนแปลงมัไม่ได้คิดถึงอนาคตดีกว่าที่ว่าต่อไปถ้าเจอคนแบบเอแบบนี้เราจะทำยังไงหรือถ้าจะเอาตัวอย่างของคนที่ผ่านมาแล้วเป็นตัวอย่างก็ว่าอนาคตอาจจะเจอคนแบบนี้ เราจะรู้สึกไงเราอยากจะช่วยเขาหรือเปล่าช่วยเขาเราลองดูงว่าช่วยได้หรไม่ได้ช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมต้องใช้เหตุผลนี่อย่าไปใช้อารมณ์ถ้าช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ต้องก็ต้องปล่อยปล่อยไปตามบุญตามกรรม กฎอนิจจังทุกข์ธรรมนันติทูกสิ่งรุกอย่างอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกข์ธรมนันตามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมนัติไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงกฎนี้ได้มันเป็นปรากฏการทางธรรมชาติอาจารย์นี่อย่างธรรมะนี้ก็ทุกเนี่ย อยาไปช่วยเขาช่วยเขาไม่ได้กรทุกเราไม่เคไม่เห็นอนิจาังก็นาตาแต่เห็นอนิจจังก็นาตาก็ก็รู้ว่าช่วยอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ช่วยวันนี้หน้าพรุ่รงนี้ก็ทำเขาก็ต้องไปอยู่นี้ใช่ไหม ม, มีใครอยู่ไปตลอดรอดดัหมันไม่มี มีอะไรไหมคืออาจารย์คะออก่อนหน้านี้ค่ะเคยมีปัญหาเรื่องที่มีคนมามาว่าแล้วเรารู้สึกว่าใจกับเพื่อมคะ่ะแล้วตอนที่หนูไปอ่านเบญจังคับปัสสูตรนะคะปกติจันหนูจะพิจารณาเรื่องของอนิจจังอย่างเดียวแล้วคิดเพราะว่าคิดว่าเรื่องของอ น, นัตตาไม่น่าจะ ไม่น่ามันน่าจะเกินความเข้าใจของหนูไปค่ะแต่ว่าระหว่างตอนนั้นอยู่บนเขาค่ะพระอาจารย์แล้วก็ลองคิดดูว่าลองพิจารณาความเป็นอนัตตาดูบ้างเพราะว่าปัญหามันบางทีพอเดินจงกรมหรือนักสมาธิอยู่แล้วเหตุการณ์แบบมันผุดขึ้นมาแล้วเราเริ่มปวดหัวเริ่มรู้สึกใจมันกระเพื่อมค่ะพอพิจารณาอนัตตาปุ๊บมันก็ดับไปทันทีเลยค่ะแล้วก็มันหายไปนานมากแล้วก็เวลาจะขึ้นมาอีกมันก็ แทบจะไม่มีเลยค่ะพระอาจารย์คือคําถามคือว่าเราจะการพิจารณาเรื่องอนิจจงหรือว่าอนัตตาเนี่ยบางทีเอเราจะรู้ได้ยังไงคะ ว, ว่าวิธีไหนมันจะช่วยได้กับปัญหายี่หรือว่าต้องลองอลองดูเลยใช้ออนิจจ์ไม่ได้ก็ใช้อนาตตาโดยใช้ทุกก็ได้ใช้ทุ ก, ทกมันทุกเนี่ย ทุกพ่ออะไรพออยากจะทําอยากจะให้มันไม่เปลี่ยนใช่ไหมอยากจะให้มันไม่ดับใช่ไหมมันกเป็นก็ลองใช้อนิจจังทุกขังอนัตตาในการพิจารณาดูท่าไหนได้ผลก็ใช้ไปเติมอย่างงี้ใช่ไหมครับมันก็เป็นเครื่องมือเหมือนเครื่องมือสามชนิดแต่มันก็ไว้สำหรับแก้แก้แก้แก้ความทุกข์ใจของเราโอเคค่ะพระอาจารย์ แล้วเรื่อง อ, อีกคำถามสุดท้ายค่ะพระอาจารย์เรื่องของอสุภะคาะ ห, หนูไปอ่านในหนังสือท่านรู้ค่ะพระอาจารย์บอกว่ามันมีอยู่สองมิติคือมิติของความไม่เที่ยว่ายังไงร่างกายก็จะต้องเสื่อมสหลายไปกับอีกมิตินึงคือมิติของความตกกระบกของร่างกายค่ะเราจะใช้สองมิตินี้ในกรณีไหนคะพระอาจารย์ถ้าเราจบวั ว, ว, วตายก็ใช้มิติมันต้องร่างกายนี้มันก็ต้องตาย ย้ำๆ ม, มันไม่ได้ถ้าเรามีการนี้ที่ลักสวยลักนามก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่สวยได้งามมันมีอาการ32แล้วมันตายไปมันก็กลายเป็นซากศพที่เน่าเป็นอยขึ้นมาอันนี้ก็ไปสำหรับดับการมาหลงการมาลาค่ะอะไร ด, ดาลาเห็นใครแล้วเ่าล้าวสวยงามเห็นแล้วก็อยากจะ เป็นแผลเขาอะไรอยเข้าได้เขามาเป็นแผลก็คิดถึงเวลาเขาเป็นชาติสองดูงานกายเขา่ป็นชากิอะไรผมนันก็เป็นชาติสองเป็นแบบเือท่านดูเห็นข้างในว่ามันไม่มีอะไรสวยงามเลยภายใต้พื้นดินีีแต่ก็อกุดดูมีแต่ปอดตับไตลำ ใ, ใส้สิ่งสง ก, ก็ปกต่างๆหายมา มันก็จะทำให้การอ า, ารมณ์และการผลราคานี้หยุดได้หายได้เอ๋ค่ะเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์โอเคมันเป็นเช่นเหมือนยาปวดหัวต้องกินยาแก้ปวดหัวปวดท้องมันต้องกินยาแก้ปวดท้องมันจะใช้ยาแก้ปวดหัวก็แก้ปวดท้องไม่ได้ โอเคนะเอาะค่ะพระอาขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอภาสนะก็ทํำร้องการนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ตอนนี้ก็เริ่มลองเริ่มเอ่อเพิ่มทำเพิ่มค่ะพระอาจารย์พราาเพราะสมัยก่อนจะนั่งสมาธิเช้าวันเช้าก่อนป่าที่ฟังพระอาจารย์จะมาแล้วก็ตอนเย็นจะไม่นั่งก่อนนอนเพราะว่าบางทีมันนั่งแล้วมันจะไม่ง่วงแต่ว่าตอนช่วงเนี้ย กลับมาเริ่มนั่งตอนกลางคืนแล้วก็พอนอนก็นั่งนอนสมาธิต่อก็ดีดีค่ะว่า อ, อาจารย์มันมันสามารถจะนั่งแล้วก็นอนได้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะอแล้วก็ฝึกนั่งสมาตอนนี้ก็ก็เลยลองดูว่าเออนั่งตอนตอนเช้านั่งปกตินั่งสมาธิปกตินะคะสองชั่โมงแต่ว่าตอนเย็นตอนเย็นหรืกลางคืนนะคะก็เลยลองเปลี่ยนเป็นนั่งลองนั่งสมาธิเพรดูดีไหมคะ อ, อาจารย์ <c oughs> <c oughs> ก็ลองนั่งดูเออเราเราลองดูเพื่อฟังสึกสติดไปเยอะๆก็ลองนั่งดูค่ะ อ, อาจารย์ ก็เรามีดวงดีไม่ดีไม่ไ ม, ไม่ชินก็ไม่รู้เลยอร่อยไม่อร่อยก็ลองนั่งดูแล้วพระอาจารย์ก็นั่งได้นั่งได้พระอาจารย์ก็ก็เลยก็เลยว่าตอนนี้ก็เลยนั่งกับสมาธิเพียงตอนงคืนพระอาจารย์ตอนเช้าก็นั่งกปกติแล้วก็ลงไปเดินจกงกรมก็เตรียมตัวเตรียมตัวไว้พระอาจารย์จะได้ไปไปวัดเดือนหนึ่ง mm. ก็ยังรักษาความสงบได้พระอาจารย์ค่ะแล้วก็ยกพยายามตอนนี้ทําอะไรช้าลงให้มันมีส อดูใจแล้วก็มีสติมากนี่แค้มีสติรักษารักษาใจสติไว้ตลอดพระอาจารย์พยายามทําอะไรช้าลงแนละ้วพระอาจารย์แล้วก็พยายามพูดให้มันช้าล ง, างก็ปกติเป็นคนทําอะไรไว้มากพะอาจารย์ค่ะวัยช้าไม่ทากันทำนั้มีสติแล้วไม่ไหอ๋อค่ะก็ทําทีแตอย่างใช่ไหมแล้วก็ให้มีสติไหวช้าได้ค่ ะ, ะาาแต่ว่าแต่ว่ามันทํางานได้ดีขึ้นแนละพระอาจารย์หมายถึงว่า ทำแบบว่าพอมันไม่มีอารมณ์อะอาจารย์ทํางานตามหน้าที่อ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่ามันโล่มันเบามันทําได้มันทําแล้วมันสบายสบายใจมันมันทําตามในในสิ่งที่มันต้องทําได้ดีขึ้นมากๆเลยพระอาจารย์ค่ะต้องขอบคุณพระอาจารย์มากเลยอ่ะรู้สึกดีมากทาไปทำตามไปไหนดีก็ทําทําไปไหไม่ดีก็อย่าทําค่ะพระอาจารย์คะเรียนถามอาจารย์นิดนึงค่ะคือ ฟังหลวงปู่ขาวท่านพูดเดีท่านบอกว่าตอนเข้าพรรษาแต่ว่านั้นตอนนนั้ท่านอาจจะเทศพระหนุ่มๆแล้วมันไม่สร้าบบอกเ้าพรรษาท่านจะแบบในสันชีพร้อมกับอดอาหารจริงๆแล้วถ like ้าเกิดเราอายุขนาดนี้เราถ้าเกิดเราจะเล่งความเพียรเพราะเราเป็นแค่เดือนเดียวอย่างนี้พระอาจารย์ว่ามีอะไรแนะนำไหมพระอาจารย์ว่าเห็นหลวงปู่ขาวต้องพูดก็เราดูสิมันไม่ได้มาพรอมทั้งหมดทุกวันและเนซันเนซัชีทุกวันนะว่ากําหนดเอากี่วันสามวันห้าวันก็ว่าไปเดีวทางกาลังของเรา แล้วก็ดูว่ามันมีแรงใช่ไหมครัอาจารย์คือการจะดูว่ามันได้แค่ไหนคือดูว่าเราสามารถจะทําแล้วก็มีแรงทํางานได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ดูว่าเราอันนี้มันเน้นเรื่องของความเพียรไงใช่ไ <c oughs> มันให้เราทํานิดเพื่เราจะได้เพียรไม่นอนไม่ขี้เกียจ <c oughs> แต่ถ้า <c oughs> มันไม่ถ้าอดไปแล้วถ้ า, ถามันไม่ได้มันสองอย่างนี้บางทีเขาไม่ได้ทำพร้อมกันทั้งสองอย่างบ <c oughs> ทีเขาเลือกอย่างใดอย่างทําที่เข้าใจนะ ไม่ทราว่าท่านบอกให้ทําทั้งสองอย่างบอกแม้ว่าท่านแล้วแต่ให้เลืก อ, อกแล้วแต่เจลิตบางคนก็ไม่ชอบในสัจจิขการบุตรอาหารก็อาหารบางคนไม่ชอบบ อ, อาหารชอบในสัจจิย่อกอาานในสัจจิมากกว่าไม่ได้มาททั้งสองอย่างเลยก็ไม่รู้ท่าของอย่างได้แล้วมันทําให้เราเพียรได้ปฏิบัติได้ทั้งคืนทั้งวันไม่ไม่นอนเลยไม่กินเลยก็เป็นซุปกระแดก็ดีไม่ตายนะจะสลบแทนว่ S <S> <S อ, จอจรราจารย์องูกอว่าอาจารย์ใช้ปัญญาเราใช้ปัญญาคิดก็ไวิชช่เอามาทั้งรุ่นได้ได้ฟังอะไรมาก็เอามาทั้งรุ่นเข้าขใจแล้วค่ะพระาอาจารย์เข้ า, าใจแล้วค่ะพระาอาจารย์ขอบคุณค่ะไปเอ<ส>็นดิซาสายไหมีอะไรก็ปะไม่มีแล้วคระอาจารย์นิสาพูดได้ไห ค่ะกก่าในมันสการค่ะพระอาจารย์ก็ลูกไม่มีคำถามค่ะตอนนี้ก็เมียพี่แต่เพียงปฏิบัติค่ะก็ยังค่ะกราบขอบคุณพระอาจารย์ค่ะที่สั่งสอน เ, อเพราะว่ารูู้สึกว่าลูกใช้การยอมหยุดเย็นแล้วก็การมีสติการพุโทโธในระหว่างวันมันช่วยในการปฏิบัติแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้ดีค่ะพระอาจารย์ ให้ทำตามว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในความเปลี่ยนค่ะค่ะอาจารย์ก็ยังรักษาระดับการปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะแล้วก็การที่ใช้ยอมหยุดเย็นมันช่วยในการเจอเวทนาในการการนั่งได้มากเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าค่ะคือคือถ้าไม่ค่ะเพราะว่าลูกใช้พุทโธลูกแบบเร็วๆแล้วลูกก็คือพอมันรอบที่สองอย่างเงี้ยค่ะที่มันมาใหญ่ๆลูกเอาไว้อยู่ลูกลงใช้กัน ยอมมันนะคะยอมแล้วก็ยอมคิดว่าก็คือก็ยอมรับมันอ่ะก็มันก็เลยรู้สึกว่าค่ะพระจ่ามันค่ะมันช่วยได้ได้มากๆเลยค่ะแล้วลูกก็คิดเออมันมันดีนะมันมันเหมือนเป็นเป็นสเต็ปหนึ่งกับถือถ้าจะใช้พุทโธหรือไม่ก็จะใช้ยอมมันอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับจริตของลูกลูกว่าลูกใช้ยอมได้ดีกว่าค่ะพระจ่า ง่ายอย่างไรก็ได้ขอให้ใจเราหยุดแิ้วเย็นก็แล้วกันแต่ก็ไม่ทราบว่ามันจะได้แบบถ้าเกิดเจอข้อสอบหนักๆ น, นี่ไม่รู้ว่ายอมหยุดเย็นจะคิดว่าก็จะพยายมามลองใช้พุโทโธถึงก็ลองใช้บทสวดบทเดิมก็ได้ค่ะอาจารย์แต่ตอนนี้รู้สึกรู้สึกว่ามันใช้ได้ดีอะคะ่ะมันทําให้ให้แบบยอมรับตรงเวทนาที่เกิดขึ้นได้อะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดลูกขยายเวลานั่งไปอีกจากสองชั่วโมงเป็นสามนี่ไม่รู้จะ ได้หรือเปล่าอันนี้ต้องลองดูต่อไปค่ะพระอาจารย์อทแต่ ย, ยค่ะแต่ว่าเวลาเวลานั่งสมาธติตอนนี้ลูกรู้สึกว่าตั้งแต่ลูกแบบปฏิบัติแบบมีสติพยายามมีสติในระหว่างวันแล้วก็พุโทโธตลอดเวลาตอนนี้เหมือนกับพุโทโธมันอัตโนมัติขึ้นตลอดเวลาค่ะพระอาจารย์และดีค่ะแล้วก็ค่ะอไปไม่ต้องนานครับมัน ถึงเวลามันก็มามันจะผุดขึ้นมาเองแต่ <c oughs> แ, ตแต่ว่ารู้พยายามคิดคือ ถ, ถ้าเกิดอยู่ในระหว่างวันโดยการเรากลเคลื่อนไหวแล้วก็ดูดูการเคลื่อนไหวของเราแต่ว่าถ้าในลักษณะที่เรานั่งอเฉยๆบางครั้งมันจะเราต้องฝึกให้มันพุโทโชว์ขึ้นมาเองถ้าเกิดเราไปคิดอ ะ, ค, ะ <c oughs> ค่ะใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกอาทิตย์ที่ผ่านมาความความก้าวหน้าในการปฏิบัติรู้สึกดีอะคะ่ะพระอาจารย์รู้ก็คือปกติเวลาลูกเข้าสมาธิอ่ะคะ่ะ คือมันเหมือนมันต้องเริ่มอ่ะแบบมันจะเรียบเทียบยังไงอ่ะเหมือนเวลาเราขุดขุดลงไปลึกลงไปอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่พอตอนเนี้ยคือมันเหมือนมันไม่ต้องขุดแล้วอ่ะมันเหมือนกลับไปอยู่ตรงระดับตรงเนี้ยใช่ใช่ค่ะตรงเนี้ยแบบลูกรู้สึกว่าเออมันถึงจุดนี้แล้วอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบจิตรวมแบบอะไรเหมือนกับคือการที่แบบที่พระอาจารย์เคยบอกว่ามันจะวูบลงไปอ่ะลูกเคยเกิด ครั้งหนึ่งครั้งหรือสองครั้งแล้วมันก็จะไม่เกิดอีกเลยอะค่ะอาจารย์ลูกทราบว่ามันลูกนึกถึงว่ามันเหมือนเป็นการขุดลงไปหาสมบัติเหมือนกับครั้งแรกนี่มันอาจจะแบบบังเอิญหรือยังไงหนูไม่รู้ไหมเขาไม่ไม่แน่ใจอะค่ะมันก็ดิ่งลงไปแล้วมันก็ดีดกลับมาในขณะนั้นเราอาจจะสติไม่ไม่ดีอะค่ะแต่ตอนเนี้ยมันมันมันไม่ได้ลงไปถึงตรงนั้นแต่ลูกรู้สึกว่ามันอยู่ในระดับตรงกลางๆที่แบบ คือแต่ก่อนกว่ามันจะลงตรงเนี้ยเหมือนทุกวันทุกวันมันต้องนั่งนั่นแบบเป็นชั่วโมงมันถึงจะไปตรงนั้นแต่ตอนเนี้ยความรู้สึกของลูกว่ามันเหมือนมันอยู่ตรงนั้นอ่ะคือแบบมันไปตรงนั้นได้อย่างเร็วอ่ะค่ะอาจารย์เออความชํำนาญทําไม่ได้แค่มันจะชำนาญนั่นขงขับรถเนี่ยขับวยใหม่ๆต้องตั้งทาง่าเอาปูจาหยอดเสียบเข้าไปในรูแล้วก็ตั้งรถอะไร ทำไปบ่อยๆมันไม่ต้องคิดเมันะต้นปั๊บมันอัตโนมัตทําด้ได้อย่างงั้นมันมันจะอยู่อย่างนี้ได้ใช่ไหมคะพี ừ, ่ตาชัา้นตับใดที่เราไม่ลดไม่หยุดถ้าเราไม่หยุดเรายังคิดที่จะแบบฝึกแค่าทาเรื่องสติเรื่องการเอาสติกับสมาธิให้มันมีข้องก่อนที่จะไปทางปัญญาต่อค่ะค่ะแต่ลูกก็ไม่หวังว่าลูกจะต้องไปเด่งเหมือนแต่ก่อนลูกก็คิดว่าคือลูกจะรักษาระดับตรงนี้ให้มันแบบคือ คือเราจะรู้สึกว่าตอนนี้เราเราพอตอนนี้รู้สึกว่าเออมันมันหายเหนื่อยที่แบบที่เราอุตส่าห์ทํามาตั้งเกือบปีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราสามารถที่แบบกลับไปคือทุกครั้งมันเหมือนมันเหนื่อยที่แบบจะต้องไปหาตรงจุดนั้นแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบมันแป๊บเดียวมันเข้าไปเลยอะไรเงี้ยมันมันรู้จุดอะค่ะเพราะจะใช่ค่ะมันมันมีช่องของมันนะฮะลูกก็เลยมีความรู้สึกเออมันก็เหมือนกับมันหายเหนื่อยแล้วก็ ต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์ที่สั่งสอนะค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีอีกอันนึงนะคะ่ะลูกรู้สึกว่าปกติลูกจะนั่งเช้าเย็นนะคะพระอาจารย์บางทีตอนเช้าอะไรเงะะี้ยค่ะลูกก็ชอบเปิดธรรมมของพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ของเก่าๆอะารเงี้ยแล้วบางทีมันอยากจะหลับตาะคะ่ะพระอาจารย์แบบฟังฟังแล้วมันเหมือนมันหลับตาแล้วมันเหมือนจะกลับไปช่องนั้นอะคือแบบมันมันดได ใช่ค่ะมันก็อยากมันก็อยากจะสงบแต่พระอาจารย์บอกว่าให้ฟังให้ตั้งใจฟังอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไถ้ามันจะสงบก็ไม่เป็นไรเอ ค, ค่ะฟังว่าสังก็ได้ฟังตอนหนึก็ได้ฟังตอนเดินโยกกลมก็ได้ค่ะอ๋อได้ใช่ไหมคะฟังตอนเดินจงกกลมถ้าเรามีรู้ฟังอะ ไ, ไรก็เสียบเข้าไปก็ได้ค่ะแล้วมันจะมันกลักวลูกจะติดมันไม่ถ้าวลาเดินมันจะไม่มันจะไม่มันไม่เลีกันตอนนั่งค่ะ ไม่บางทีเวลาเปิดคือบางทีก่อนแบบอยากจะฟังครัอาจารย์แล้วพางทีมันนั่งแล้วรู้สึกว่ามันมันจะมันจะหลักจะหลับตาแล้วมันจะจะจะลงไปตรงตรงช่องนัะนะคะแล้วแบบก็ต้องปิดปิดไปใช่ไหมคะรู้การรับเทใส่แล้วจิตปัญญาอะไรตอนนั้นบัญญาความสงก็ไม่ต้องฟังลูกกลัวว่าคือลูกกลัวว่ามันจะเตะนะคะพระอาจารย์ตอนนั่ตอนนั่งก็ไม่เป็นไรตอนนอนเราก็ใช้ปัญญาท่า กก็แใช่ค่ะแ ล, ลแล้วมันมันจะทําให้บางครั้งแบบบางบางบางครั้งบางวันเรารู้สึกว่าทําให้เรารู้สึกว่าเออก่อนเราจะนั่งในในรอบตอนบ่ายเราอยากจะเปิดเพื่อเราจะหาช่องนั้นอะไรเงี้ยมันมันจะทําให้ลูกติดติดตรงนี้หรือเปล่าคะก็ยังต้องอาศัยของภายนอกอยู่ก็ไม่ควรออก<ว>ไม่<ะ>ควรค<ม>่ะควรจะ<ม>ควรจะนั่งด้วยความสงบจรงิ<ม>จรงๆ ด, ดีกว่าด้วยกำลังของเราโดยที่ไม่ต้องอาศัยมัน ถ้ายัาศัายมันก็มันค่อนไ ห, หน้ํายังต้องใส่ชูชีพ อ, อยู่เนี่ยโ <Okay, okay, S 2> อเคโอเคได้ค่ะต้องใส่ชูชีพทิ้งไปแล้วก็ไหวแบไม่ต้องมีชูชีพค่ะแต่ว่าถ้าเราทำเป็นเหมือนปัจจุบันแบบเป็นกิจวัตรปกติลูกจะทําถือแบบพยายามฟังเทศอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือไม่เป็นไรถ้ามันอยากจะสงบก็ทั้งมันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เราจะนั่งเราจะต้องเปิดเลยไม่ไม่ควดใช่ใช่โอเคค่ะ เราไม่มีอะไรแล้วค่ะฟังส่วนใหญ่ฟังเพื่อแคให้เกิดปัญญามากกว่าแต่ถ้าเริ่มต้นเรานั่งสมาธิไม่เองไม่ได้ต้องอาศัยฟังทําให้มันสงบก็อันนั้นก็เป็นเรื่องค่ะแต่โดยหลังเราฟังทําแื่อเข้าใจแนวทางของการปฏิบัติแนวอะไรต่างๆนี่เลยเกิดปัญญาค่ะค่ะส่วนใหญ่ลูกก็จะฟังแบบเหมือนกับ ทุกวันเวลาแบบทุกครั้งครั้งละหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยแต่พอดีที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมามันเกิดเพลียความรู้รู้ว่าเวลาฟังรับใจมันจะลงไปช่องนั้นนะคะ ม, มันก็เลยทําให้เกิดเรือเรือรู้เยอสงสัยจะเป็นกิเลสหรือเปล่าทําให้เราคิดว่าเอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดเราจะนั่งสมาธิจะฟังถ้าเกิดเราเราเปิดมันก็จะช่วยอะไรเงี้ยออกก็ก็คือสรุปสรุปว่าไม่ไม่ควรค่ะคือควรจะศัยมันค่ะค่ะโอเคค่ะก<อ>็ะไม่มีอะไร<า>ค่ะเพ <ทำ S 2> ื่อให้เกิดปัญญามากก ค่ะพระอาจารย์แต่นอกจากว่าวันไหนมันไม่มันไม่นั่งเองไม่สงบก็ใส่ฟังธรรมก็เราแบบใส่ฟังธรรมไปก็ช่วยได้ก็สงบด้วยการต่อคำบ้างก็ได้แต่ย่าศัยมันเป็นเป็นเป็นตลาดเวลาเหมือนวันน้ำบางวันอาจจะเหนื่อยไม่มีแรงก็ใส่ชูชีพหน่อยกอ๋อให้แบบแบบผ่อนคลายบ้างโอเคค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ก็น้อมนําปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ก็พยายามจะเพิ่มเวลาแต่ว่า ต้องอาจจะเป็นอาจจะเพิ่มเป็นช่วงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสามชั่วโมงลูก่าก็ต้องลองดูค่ะคะ่ะก็เพิ่มเป็นช่วงก็ได้ค่ะ <c oughs> เพิ่มเป็นช่วงเพราะว่ากลัวว่าคืดกลัวว่ามันจะขามันจะแข็งมันจะเดินไม่ได้อ่ะต้องสลับกันก็สลับรถกระโดดเดินด้วยต้อ ง, งรอักษาร่างกายด้วย อ, อย่าให้ร่างกายเป็นอะไรไปอย่าพลาดไปเลย์ค่ะพระอาจารย์ ก็ไม่มีอะไรค่ะน้อมนำปฏิบัติจับขอบสุนทร า, าจารย์ค่ะไปที่ไฮดาโฮสค่ะสาธุค่ะมาชิบวนะจะลงพ้อจะหายย้อนฟังหลวงพ่อปรลบธรรมสองเดือนกว่าแล้วอะค่ะหลวงพ่อเน้นว่าต้องมีอุเบขาในสมาธิ โยมเข้าใจประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ะคะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนมันไม่กระจายนะคะขั้นตอนเป็นอย่า ง, างไรเจ้าคะก็ น, นั่งสมาธิไปไพูดโทไปกรท่าะเนี่ยอย่าให้คิดอะไรเดี๋ยวจะเข้าไปเองอสักครู่นี้พระอาจารย์ตาลบว่าไม่เกลียดไม่ชังโยมก็ยิ่งคิด มาถึงจุดนั้นมันก็ใช่อะคะ่ะมันก็หลุดมันก็มีสิ่งที่เยือกเย็นความว่างเข้ามาแทนที่ก็ไม่เกลียดไม่ชังแล้วโยมก็เปิดใน Google ดูอะคะ่ะวิปัสสนาสมาธิก็คือการที่มีสติอยู่กับตัวสมาถะสมา ธ, ามาธิก็คือเป็นที่พักผ่อนแม้ว่าเราจะนั่ง ได้เป็นสมาธาิสมาธิมันก็ได้ชั่วคราวอย่างเช่นโกรธเกลียดหลงตาไปกระทบหูไปได้ยินมันก็รักษาได้ชั่วคราวแต่ถ้าเป็นถ้าเรามีสติไม่ว่าเราจะตื่นจะหลับจะเห็นจะได้ยินได้ฟังไปกระทบอย่างไงเราก็ยังรักษาได้อันนี้เรียกว่าวิปัสสนาใช่ไหมคะไม่ใช่ก็ยังเป็นสติถ้าเป็นสติเราไม่ใช่วิปัสสนา ต้อเป็นปัญญาต้องเห็นว่ารูเสียงเกณฑ์รัฐเป็นต่แล้วเป็นอนิจจ์ทุกข์อนินจ์ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วมันเกี่ยวกับสติยังไงอ่ะคืออยังไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันโอเคใช่ไหมคะโอเคอเ ค, ค่ะงั้นเข้าใจแล้วคะ่ะสติให้เราหยุดทิ้ให้อยู่เฉยๆอะไรจะมาสัมผัสก็เฉยๆไปนแต่ถ้า ถ้าใช้ปัญญานี่มันจะไม่เฉยมันจะไปศึกษารูปเสียงกินแล้วว่าเป็นอะไรเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้ไหมห้ามมันได้ไหมตับมันได้ไหมถ้าไม่ได้สาวไม่ได้ก็อย่าไปห้ามาไปสาวมันให้รู้ไปใช่ไหมคะรู้ไปใคยันดาก็าห้ามเขาได้เปล่าค่ะไม่ต้องไปโกรธเพีงแต่รับรู้แล้วว่ารู้ว่าเราห้ามเขาไม่ได้เป็นเสียง เก่อนก็ปล่อยเขาปอาว่ า, าไปแล้วก็อุเบกขาไปเนี่ยประมาณอยู่นั้นเนี่ยอ<า>ันนี้ปัญญาวิปัสสนาสัวเจติพุโทโธพุโทโธนี้สมาธิปัญญามันคนละอย่าง เ, า เ, เป็นคนละเรื่องกันขอบคุณมากค่ะธรรมะของพระอาจารย์ Powerful มา ไปดาลัสเท็กซัสดอนี่อเมริกามาเข้าคิสามคติกะะันเลยการน้มัสกาพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกไม่ได้อยู่ดารลัสเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนวันนี้เออมาเยี่ยมเอ่อคุณแม่คุณพ่อสามีเจ้าค่ะที่เอ่อโคโลราโดแล้วก็ไวโอมิงแต่ว่าตอนนี้อยู่ไวโอมิงอยู่บ้านคุณแม่สามีเจ้าค่ะก็ไวโอมิงก็ใกล้ใกล้อดโ แต่แต่บ้านคุณแม่อยูตอย่ติดโคโลราโดเจ้าค่ะอยู่เขตแดนระหว่างไวโอมิงกับโคโลรโดเลยคือข้ามโคโลราโดปุ๊บ ก, ก็เป็นบ้านเ้าเลยบ้านฟาร์มเจ้าค่ะบ้านที่ไอลอว์ไอลอว์เิดกันมาน่าจะอยู่อยู่ทางเหนือของของน่าจะอยู่ทางเหนือของไวโอมิงนะเจ้าค่ะเจ้าค่ ะ, คะก็การออกมาครั้งครั้งนี้ทําให้รู้สึกว่าข อ, ขอบคุณพระอาจารย์แล้วก็ซาบซึ้งว่า ตัวเองจ้งเป็นคนโชคดีแล้วก็มีบุญที่ได้มาศึกษาวิชาทางพุทธศาสนาเจ้าค่ะลูกรู้สึกว่าเห็นความทุกข์มากขึ้นคือคือลูกมันเรียนที่โคโรโดตอนสมัยมันเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่สวยงามมากบ้านเมืองเขาเจ้าค่ะแต่พอมาครั้งเนี้ยมันมันเศร้ามันเห็นความทุกข์ของการเกิดมันเห็นความทุกข์ที่เราต้องอยู่กับสิ่งที่มัน ไม่เที่ยงอะเจ้าค่ะมันแบบโฮมเลสเยอะมากความน่ากลัวของของการเกิดมันทำให้ลูกเห็นความน่ากลัวของมันอะเจ้าค่ะควา ม, มไม่แน่นอนเจ้าค่ะเนี่ยฉันไม่อยากจะมาเกิดทําให้ลูกอยากรู้สึกว่าอยากจะรักษาความเพียรแล้วก็เร่งความเพียรแล้วก็ตากความ อ, อยากให้หมดตัดความอยากตัดกิเลสให้หมดเจ้าค่ะมัน มันรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรที่มันสวยงามมันแบบเห็นแล้วมันแบบไม่รู้ว่าตัวจะเกิดกับตัวเองเมื่อไหร่ที่จะต้องมาแบบเจอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันเลยแบบรู้สึกแบบเศร้าเห็นแล้วมันไม่รู้มันเป็นทุกข์ที่แบบทุกข์ที่แบบว่ามันไม่อยากจะอยู่กับแบบสภาพแบบเนี้ยเจ้าค่ะดีแล้คิดอย่างงี้ดีแล้วพยายหยุดหยุดความอยากมันตัวอยากนี่เป็นตัวที่หนึ่งให้เรากลับมาเกิดกันอย่างแน่ อยากในลูปเสียงกิ่นแล้วอยากในลาภแล้วจะร่เสด็จเจ้ค่ะตอนสมัยที่ลูกมาเรียนรู้สึกว่าหูลูกอยากทุกอย่างเล ย, ยแบบแบบอยากมีชื่อเสียงอยากเรียนจบไปทํานู่นทนํานี่อยากทุกอย่างแต่พอกลับมาครั้งนี้มีความรู้สึกว่าเออเราช่างโชคดีเหลือเกินที่ที่พยายามตัดทุกอย่างอมไม่มีอะไรกับสบายที่สุดไม่ดูมันมีอะไรแล้วทุกกับสิ่งที่เรามีเพราะมันไม่เทีย่ยม ใช่แลว่ะมันกลับมาครั้งนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดตัวเองแบบจากจากแบบกลับคั่วเลยเจ้าค่ะกลับเคยอยากที่จะมีชื่อเสียงอยากที่จะรับตําแหน่งในวิชาการอยากทีกอย่างแต่มาครั้งนี้ไม่อยากรู้สึกว่ามันเห็นทุกข์เลยเจ้าค่ะเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตเห็นใจรักเห็นใจรักเห็นนนีิจจมพอหนิจําก็เลยทุกข์เนี่ยเห็นนั้นนั้นตาเรายับยั้งมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ เจ้าค่ะมันเจ้าค่ะมันเห็นแล้วมันเศร้ามากกับการที่คนแบบอดอยากแล้วแล้วเมืองโคราชเป็นเมืองที่เขาไห้กัญชาปีนะค่ะกัญชาถูกไหมแล้วนี่วสมเพศเห็นข่าวสมเพศมันใช่มันมันมันมันมันเป็นอยู่ในใจอะเจ้าค่ะมันมันแบบมันแบบแบบแบบโอ้โหนี่กัญชาถูกกฎหมายแล้วแบบเหมือนเดินเข้าไปในเมืองซอมบี้อะเจ้าค่ะลูกเลยแบบลงทางกันเชื่อนี่คือสวรรค์พวกนี้เขาเชื่อ เสพกันทางป็สวรรค์นะมันสวรรค์ชั่วคราวมันไม่ได้เสพมันก็เหมือนตกลกกนลกทันทีเลยใช่เจ้าค่ะมันมนต้งนองเสพทั้งวันทั้งคืนตอบมันแล้วก็ต่อไปก็ตายเพราะเพราะยาพวกนี้มนก็มีนะเจ้าค่ะลูกกลัวเจ้าค่ะลูกพอลูกเข้าลูกเดินไปในห้างหรือเดินไปจ่ายของลูกจะรู้สึกลูกกลัวแล้วลูกจะพยายามรักษารักษาสิ่งที่ลูกได้เรียนรู้แล้วก็มันรู้สึกว่ามีความเพียรที่จะ พยายามรักษาให้มากขึ้นนะเจ้าค่ะว่าเราจะเราจะต้องพยายามรักษาจิตของเราให้ให้มันให้มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอเจ้าค่ะ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่เวียนวนอยู่กับความไม่แน่นอนของชีวิตแบบเนี้ยเจ้าค่ะลูกรู้สึกมันมันทุกข์อ่ะเจ้าค่ะเ้ารู้วิปฏิบับติะนะละละธรรมยาต่างๆเมื่อพอเห็นแบบเห็น คนอื่นที่เขายังบอกว่ายึดติดอยากมีสิ่งของอยากอะไรอย่างเงี้ยลูก ม, มีความรู้สึกว่าลูกสงสารเขาเจ้าค่ะรู้สึกว่าทําไมคนเราแบบว่าอย่างที่พระอาจารย์สอนถ้ามีความสุขอยู่ในใจมันไม่ต้องไป ไ, ไปเหนื่อยไม่องแบกอะไรนะเจ้าค่ะรู้สึกว่ามันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยที่แบบจะต้องหาเงินเพื่อมาสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆเพียงแค่แบบเดียวให้กับ ใช่เจ้าค่ะให้กับความสุขแค่แบบการมองเห็นแค่นั้นแบบวาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหรือว่าความสัมผัสกับมันอะไรเ ง, งี้ยรู้สึกว่าเออการนั่งเฉยๆมันก็มีความสุขลูกกล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้วิชาลูกนะเจ้าค่ะลูกลูกจะพยายามรักษ <l ụ> าความเงียบกับพระพุ <l ụ> พะทธ <l ụ> เจ้า <l ụ> พรเจ้าเห็นคนเดียวนะที่คนพบควางจริงอนนี้ถ้าไม่มีพระพเจ้าพวกเราก็ยังมองกับแบกับความใหญ่ต่างๆ รู้รู้สึกว่าลูกโง่มาสี่สิบกว่าปีเจ้าค่ะจะเข้าห้าสิบกว่าปีห้าสิบว่ารู้รู้สึกว่าลูกโง่มาทั้งชีวิตถ้าไม่มีวิชานี้ลูกคงไม่ได้เห็นอะไรที่มันมันไม่ต้องเหนื่อยกลับที่มีความหมายที่มีความหมายต่อชีวิตของลูกแล้วก็คือทํามะของพระเจ้าเจ้าค่ะลูกซาบซึ้งมากๆากเจ้าค่ะแต่คนอื่นเขาเขาจะมองว่าลูกชีวิตลูกเหมือนมันน่าเบือ่อมันวั น, วนวแล้ว <ś len ic> แต่เขาม่รู้ข้างในเขาไม่รู้ข้างในแล้ว <c oughs> มันแสนจะสบายไม่ต้องดิ้นจนไม่ต้อง <ś len ic> ไม่ต้องรักษาไม่ต้องอะไรไม่มีอะไรจะต้งองดูแลรักษาใช่ <ś len ic> ลูกจะอาศัยคําพูดของพระอาจารย์แล้วค่ะจ ะ, ะพูดกับสามีว่ามีอะไรก็ทุกข์กับสิ่งนั้นจะลองคิดดูแล้วกันว่ามีอะไรก็ทุกข์กับสิ่งนั้นต้องรักษาต้องเอาฟิดชอบ <ś len ic> ต้องหัยต้อไหัวต้องเสียใจเวลามันจากเ้าไป นายเจ้าค่ะลูกรู้สึกซาบซึ้งมากยิ่งออกมาจากโซนที่แบบคือลูกอยู่บ้านที่ดาร์ไก็ปฏิบัติปฏิบัติพอออกมาเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นอะไรมากขึ้นแล้วมันก็ทําให้เรามีความกระตุ้นตัวเองที่อยากจะพัฒนามากขึ้นมากขึ้นเพื่อหลุดจากวงจรนี้เจ้าค่ะลูกลูกลูกซาบซึ้งท<ำ>ี่สุดแล้วเจ้าค่ะท ำ, ทำต่อไปเจ้าก็จะถึงจุดที่ไม่ต้องทําอะไรนะวุฒิรรการณ์มัธยมศึกษาอย่าง เก็ดในความจารได้สิ้นสุดลงแล้วไม่มีเกดอันใดต้องทาที่ไยนไปกว่านี้คือไม่มีที่เลยอเหลืออยู่ในใจแล้วค่ะปิดกระจบกับสาธุเจ้าคะ่ะลูกจะพยายามรักษาแล้วก็เพิ่มเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเจ้าคะ่ะไม่ว่าพบชาติไหนชาตินี้หรือชาติหน้าลูกจะพยายามให้ฝังอยู่ในใจไปเรือ่อยๆเจ้าค่ะชาตินี้มันหมดไปเลยไม่มอรอชาติหน้าแล้ว <c oughs> รู้ว่ายัง ม, ม่บุญบันละชุ่เพียรแต่ไม่รู้ว่าจะจ ะ, จะสุกงอมทันหรือเปล่าเจ้จาค่ะชาติสุดท้าย <laughs> โอ้เยอายุยังน้อยอยู่ชาติสุดท้ายพระเจ้าเอาจริงๆไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดื อ, อนก็เจ็ดปีเจ้าขอให้สุกงอมชาตินี้เจ <c oughs> ้าค่ะหรือไม่อย่างน้อยก็ขอให้ได้เข้ากระแสะลูกเขจะรู้สึกปลอดภัยกับชีวิตเจ้าค่ะลูกอยากให้ได้เข้ากระแสะพันิุพานเจ้าค่ะอยากให้ชาตินี้ได้มีความรู้สึกอย่างน้อยปลอดภัยกับ กับตัวเองเจ้าค่ะอย่างอื่นคงไม่หวังแล้วเจ้าค่ะมันจบแล้วมันรู้สึกทางโลกมันมันพอแล้วมันเห็นเห็นม า, มากพอแล้วเจ้าค่ะขอขอเห็นทางธรรมมากขึ้นมากขึ้นเจ้าค่ะพิจารณาใจรักไปได้รน่ธรรมเจ้าค่ะเจ้าค่ะตจรักกัลยาศาสตร์เสียแกงของธรรมแกงของขบปัญญาเจ้าค่ะ ครั้งนี้ได้ออกมาได้ได้เห็นได้เห็นกับชีวิตนอกจากการที่นั่งปฏิบัติแล้วได้เห็นมากขึ้นลูกรู้สึกมีบุญเจ้าค่ะกราบขอพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงเจ้าค่ะน้อมนำคำสอนเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมาเล่กายเ่ามมาเปียวเดียวหมดเยทำไมกับ c a n c e s i n d a y สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ก็ดีใจ ช่วงนี้มีพายุไหมที่ที่อยู่นี่มีพายุอ้ามาแล้ ว, วสวัสดีครับยังไงสบายดีแล้วไม่ทํางานหรืวันนี้ไม่ไมจะไม่จะไปทํางานไม่ร้องงาน ป, ปิดเป็นวันที่สี่เรงเรา ง, งานปิดเลยทักทอนอะ <laughs> วันเดียวค่ะอาจารย์เมื่อวานค่ะเมื่อวานที่ปิดแล้วก็วันนี้พอดีด้วยความที่ว่า โรงงานเขาปิดเมื่อวานใช่ไคะแล้วไปไปกระดับครึ่งวันหนูก็เลยไดเช้าทำบายบ่ายได้แล้วก็เลยให้เขาพาไปที่หมอฟันพอดีเลยค่ะได้จังหวะสวายดีนะเดวิดสบายดี see ค o u เ o o ก็ดีใจค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาอาจารย์เพราะวเดี๋ยววันนี้ได้ได้เจออาจารย์ร่คะลูกก็ดีใจค่ะมีคําถามอะไรไหมเดีวิดมีครับก็ก็ก็ยังไปทางโลกอยู่ค่ะเพราะว่าก็เหมือนคุณสุภาพตาจเล่าอันนี้ค่ะท่านอาจารย์ลูกก็มีความรู้สึกว่าทําไมแบบเวลาคนมาทางธรรมทาไมบางทีก well <Okay. S 2> ็มีความรู้สึกเหมือนกันคะว่า ตัวเองผิดแปลกหรือเปล่าเพราะนี่ตั้งแต่เข้ามาปฏิบัติเนี่ยค่ะถ้าอาจารย์เพื่อนเพื่อน่ะไม่เป็นชาวบ้านหรอกคนปฏิบัติธรรมจะไม่เป็นชาวบ้านท่านเนี่ยคะ่ะถ้าอาจารย์ลูกลูกลุกไม่ได้ไม่ได้ปกติที่เพื่อนเพื่อนที่อยู่ที่อินเดียคะ่ะเดี๋ยวนี้ลุกไม่ได้แบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ทักไลยจนะ์จนกระทั่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะคะ่ะเขาแบบด้วยความที่เขาโมโหอะคะ่ะเขาบอกว่าให้บอกมาเลยแบบคือแบบเหมือนกับว่าให้บอกมาเลยว่า คบหรือไม่คบต่ออะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็บอกว่าให้พูดออกมาคำหนึ่งเลยแบบคือเขียนลายมาเนี่ยต้องการให้รู้เฉยๆว่าออต้องการครบต่อหรือไม่ครบต่อคือให้พูดออกมาคำเดียวว่าจะพูดคำไหนก็ได้ให้พูดคำหนึ่ง ล, yes, <laughs> <laughs> ล, ลูกก็ยังนั่งอยู่คะ่ะว่าตกลงตกลงลูกจะเอาไงดีแบบคือเนี่ยแบบไ ม, ไม่ไม่พูดดีเฉยๆไปให้เขาคิดของเขาเองแล้วกัน อ๋อคือลูกเงียบมาแั้วเป็นปีแล้วค่ะท่านอาจารย์เนี่ยบก็เงียบต่อไปแล้วเ่ยเงียบต่อไปเลยใช่ไหมคะลูกเงียบเรื่องในใจตกลงต้องเมตตาหรือเปล่าต้องมีคำเมตตาไหมเนี่ยก็แบบมาคิดอยู่ะคะ่ะท่านอาจารย์อะไรเลยก็ไม่เอาเขาให้บิเบอร์เดยยังมีความรู้สึกทําไมมาไล้สาระหนูมีความรู้สึกของหนูเองอะคะ่ะว่ามันไร้สาระก็เลยแบบก็เนี่ยค่ะเฟซอะไรเนี่ยทุกอย่างหนูไม่ได้เอาเลยแล้วก็แบบไม่ได้เอาใครเลยแล้ว เนี่ยค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเขาโผลขึ้นมาเงี่ยเมื่อเมืม่อที่แล้วลูกก็ตกใจก็ตกลงาจะเอาไงดีเมตตารื่อรื่อลื่อจบไปเลยหรือยังไงก็คือยังมีความรู้สึกคําว่าเมตตาหรือเปล่าก็เลยมีความรู้สึกว่าดีใจค่ะที่มาเจอเพื่อนเพื่อนด้วยกันอย่างคุณสุพตาพูดก็มีความรู้สึกเหมือนกันค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เดวิด น, นะคะก็หนูก็บอกว่าเมื่อคราก่อนเมื่อที่แล้วค่ะเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าเออ ไปทํางานแล้วน so, ั here, uh, ้นบอกว่าเออก็นี่แหละเกิดมาแล้วนี่ก็ต้องอย่างนี้แหละหนูกเนี้ยหนูก็เลยบอกเขาาเนี้ยนะคะเกิดมาแล้วนี่ก็ต้องอย่างนี้แหละชาติหน้ายูจะเกิดหรือยูไม่เกิดก็เรื่องของยูแต่อายถ้าเลือกได้อายไม่เกิดแล้วนะหนูพูดเนี้ยอาจารย์ดังนั้นให้หนูเงียบลงไปเลยใช่ไหมคะอาจารย์แบบไช่เฉยเฉยไปโอเคพอพูดไปเขาก็ไม่เข้าใจถ้าพูดว่าเรายังรักกันอยู่แต่ไม่ติดต่อกันเขาก็ไม่เข้าใจอะ ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ถ้าไม่ไม่ติดต่าก็แต่ว่าเราไม่ชอบเราเกลีเขา้ไงมันก็ไม่ใช่ต่อเขาอย่างได้อยางก็ไม่ถูกใช่ไหมไม่อยากไปต่อกันค่ะอาจารย์เนี่ยค่ะเป็นปีแล้วค่ะแท้ที่หนูตัดที่แรกก็ยินแบบยังค่อยๆแบบคือค่อยๆห่างค่อยๆห่างแล้วก็มีควันที่มันไรสาระแล้วมันยังไงก็ไม่รู้ค่ะอาจารย์ก็เลยแบบแม่ไม่เอาแล้วแม่แบบคือตัดไปเลยหนูก็ตัดไปเลยแบบ ไม่นี่แต่ไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงก็โอเคก็ยังคิดถึงแต่มันมันมีความรู้สึกมันไร้สาระค่ะ้อาจารย์ก็เลยแบบไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวเองก็เลยพอมาเจอคุณสุภาพตาแล้วก็มาเจอเพื่อนเพื่อนทำอีกก็มีความรู้สึกเออมันมันดีเหมือนกันเราไม่ได้ผิดปกติตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นพวกน้ํามันกับน้ามันเข้ามันอยู่อยู่ด้วยกันไม่พวกน้ํามันก็จะอยู่กับน้ํามันพวกน้ำก็จะไปอยู่กับน้ามันจ โอเคน้ำมันเข้าไปในขวนน้ำด้วยมันไม่มันไม่อยู่ติดกันอกมันไม่ปอนกันหรอกขยาบคุยง่ายเดียมันก็แยกออกจากกันค่ะเนี่ยค่ะถ้าอาจารย์ถึงได้ชอบมาที่ห้องทำเนี่ยค่ะก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็เรียนไปในตัวเหมือนกันค่ะว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นอะไรในลักษารเนี้ยค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะที่เมตตาและยังดค่ะถึงบายบายเบวินไปก็แล้วโอเคยังอยู่ค่ะนี่ค่ะ <laughs> อย่าทำงานมากกันไปนะรีแ ล, ล็กซ์พักผ่อนบนะ้า o ยูอัล s ูอัลโซ่ e ล็องสองเต้โอเคบล็องสตไที่คนอะไรอยู่ทำ ง, งานนี่คุณตุวนะุตแล้วตัวนต้ายไปนานเนียไปงนอะไรยไปถึงไหนลนะ ก่านามสกาลค่ะพระอาจารย์วันนี้มีมาเข้าร่วมอีกหนึ่งคนค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ก็มะเร็งเข็มเข็มห้าแล้วค่ะก็อีกหนึ่งเข็มค่ะีมกเข็มเลยหกค่ะแล้วก็ซีทีดูค่ะว่ายังมีก้อนมะเร็งอยู่ในร่างกายไหมค่ะถ้าไม่มีก็คือก็มาเจอหมอทุกสามเดือนค่ะ ตอนนี้ก็เตรียมตัวจะไปวัดยาแล้วค่ะพระอาจารย์นับเข้าดาวแล้วค่ะอยากจะไปปฏิบัติธรรมคิดถึงข้าวที่วัดแล้วค่ะพระอาจารย์อเพราะว่าหนูสองคนนะคะมีกิเลสเรื่องหนึ่งคือเรื่องการกินค่ะพระอาจารย์เราเราเราจะกินกันตลอดเวลาเลยค่ะทีนี้ก็ตอนนี้ก็ก็กินกันน้อยลงค่ะตอนตอนอยู่ที่หนึ่งที่ไม่มีอะไรกินก็บ่นว่ามันลําบาก พอมาอยู่ที่ที่มีของกินเยอะก็บ่นว่าไม่รู้จะมีอะไรกินทีนี้สองคนก็เลยสรุปกันว่าสรุปแล้วเรากินข้าวที่วัดยานเรามีความสุขที่สุดเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าไม่ต้องคิดว่าวันๆจะกินอะไรไมายถึงก็ไปตักบุฟเฟ่ย์ข้างหน้ากินให้อิ่มเสร็จแล้วก็ปฏิบัติธรรมคร่ะพระอาจารย์อ่านี่นั่งปฏิบัติธรรมต้องกินง่ายอยึู่ง่ายกินดีมีต า, <พ> า, ากเกิดมาน้อยชามเดี ก็ก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะมีกี่เลงนี้หนูมีคําถามกับพระอาจารย์หนูดูรายการวิสัชนาธรรมของเอ่อด็อกบวีเมื่อวันอาทิตย์ดูประมาณสองสามรอบอะค่ะคนน่าจะเข้าเยอะเรื่องนรกสวรรค์แล้วก็แดนเนลมิตเอ่อหนูมีคําถามว่าสวรรค์นะคะหนูเข้าใจพระอาจารย์อธิบายว่าสวรรค์ก็คือเหมือนสภาวะที่หลังจากเราตายคือเราหลับนรกก็เหมือนกันก็คือการหลับแต่จะฝันดีฝันร้ายใช่ไหมคะอันนี้คือสําหรับบุคคลทั่วไปแล้วสําหรับเอ่อ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าผู้ที่บรรลุธรรมนี้อยู่ในสภาวะเดียวกันไหมคะพ้าอาจารย์ก็อยู่คนระดับกันแต่ก็เยอะก็เป็นเหมือนอยู่ในโลกของความฝันเหมือนกันเนฝันดีแล้วถ้าเกิดเป็นอครูบาอาจารย์ ท, ที่ที่ท่านไปนิพพานนะคะพระอาจารย์อยู่ในสภาวะฝันหรือว่าตื่นอยู่ตลอดเวลาคะผ้าอาจารย์ก็อยู่ในภาวะที่ไม่ไม่มีอะไรให้ท่านฝัน เพราะว่าท่านปราศ จ, จากกิเลสแล้วปราศ จ, จากกิเลสแล้วใจก็เลยไม่ตนะ้องปลนะูกแตกหาอะไรมาให้ความสุขใจในความสุขในตัวเองนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเกิดผู้ที่บรรลุธรรมถ้ายังไม่เข้าถึงพระนิพพานก็ก็จะเหมือนกยารวา่วาไฟาฟันอ ย, นอยนู่อยากได้นู่นอยากได้นี่ตามกำลังที่ตามที่กิเลสมันยังไม่เหลืออยู่ เพราะว่ากิเลสยังเหลืออยู่ใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ยังต้องฝันอยู่ก็มีฝันนั่งเพราะมันยังอยากได้มันอยากได้นี่ค่ะทีนี้ก็ก็เราก็เลยมานั่งคุยกันนะคะว่าเอเวลาที่เหลืออยู่มันมันน้อยนิดแล้วค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็เลยฟังธรรมแล้วก็นำธรรมะพระอาจารย์มาใช้แล้วก็ทุกวันนะคะเราจะมีตารางแปะไว้ะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ติ๊กเป็นเขาเรียกสเสบียงบุญนะคะพระอาจารย์ก็คือ คิดว่าวันหนึ่งเราต้องตายจากกันเพราะฉะนั้นช่วงที่อยู่อ่ะค่ะก็เลยช่วยกันเตรียมสเสบียงค่ะก็เลยตอนนี้ก็วันละหนึ่งชั่วโมงก็สลับกันไปปฏิบัตินะคะพระอาจารย์แล้วก็ฟังธรรมะพระอาจารย์ด้วยดีทำไดตอนนี้หนูทดสอบเรื่องพุทโธอยู่ค่ะพระอาจารย์พอดีหน<ม>ูอ่านหนังสือหนังสือที่หนูได้จากพระอาจารย์น่ะตรงหน้าตุ้ดติดไปเลื่อนี้ค่ะโอเคใช่ของของเป็นของหลวงตามหาบัวที่ท่านไปปฏิบัติกับหลวงปู่ม่านนะคะ ทีนี <gauche> <ashi> ้ห <happily> น <stayed Korean> ูก <här read allen> ็เลยฝึกพุทโธตลอดเวลาอยากรู้ว่าพุทโธตลอดเวลาแล้วมันเป็นยังไงเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าถ้าถามยังไงก็ไม่เหมือนเราลงปฏิบัติเองอะค่ะอ่าทกอย่างลองทำดูเราจะรู้เองค่ะแล้วทีนี้เอ่อในหนังสือค่ะของหลวงตาบัวบอกว่าท่านนบริกรรมพุทโธจนจนกระทั่งท่าน่ะตั้งหลักจิตเป็นสมาธิไม่เสื่อมความหมายไม่เสื่อมคือจิตไม่ส่งออกนอกอีกแล้วใช่ไหมคะ ก็ยังส่งอยู่แปลว่าสอบแบบมีสติคอยกำกับอย่างเดียวอืมเพราะเนี้ยพรยังก็ออกมาเจอคนนั่นเจอคนนี้ต้องทารุ่นทํา น, นี่มันก็ต้องสอบมาแต่ไม่ส่งออกมาแบบแบบใจรอยมันส่งก็งไม่ได้ส่งแบบอ่าไม่ส่งแบบคนทั่วไปที่ส่งไปยังไม่รู้เรื่องบางทีพูยอะไรไปก็ยังไม่รู้ตัวใช่ค่ะอ่า<ๆ>อาซูมก็คูมใจก็คูมความโล่งความอยากไว้ด้วยด้วยสตปิป้าอาจารย์อืม ก็เลยพยายามลองพุทโธดูค่ะแล้วก็ตอนหนูนั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์หนูบริกรรมพุทโธใช่ไหมคะทีนี้บางทีพุทโธอย่างเดียวใจหนูมันจะไปคิดเรื่องอื่นหนูก็เลยมาโนภาพพุทโธแล้วก็นึกถึงเป็นอ่ารูปพระพุทธรูปอะค่ะเป็นรูปพระพุทธเจ้าแบบนี้ได้ไหมคะผิดไหมคะก็หยุดครับคิดได้มาให้หยุดได้มาใช้ได้ หยุดได้ค่ะคือพอพุทโธอย่างเดียวไม่อยู่ไม่พอองมาดูาพก็ได้ค่ะก็เรามาโนเป็นเป็นรูปภาพพระพุพระพุทธรูปที่เราคิดถึงแล้วก็พุทโธอยู่กับองค์พระพุทธเจ้าเพื่อช่วยหยุดความคิดเป้าหมายก็เพือไม่ให้มันใจมันลอยไปคิดอย่างนั้ดั้มนี้ค่ะขังมันไว้ให้อยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธ ขังมันไว้ให้อยู่กับร่างกายใช่ไหมคะนี่นี่คือวิธีที่จะฝึกสติใช่มไชม่อยู่กับร่างกายก็ดูว่าร่างกายกำงทำอะไรอยู่อย่าให้มันออกไปเที่ยวพอไปเที่ยวแล้วมันยุ่งใช่ไหมคะใช่อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ค่ะพระอาจารย์มีมีคําถามพระอาจารย์ไหมแล้วก็หนูมีมีเรื่องที่จะเอเมื่อก่อนนะคะหนูฝึกสมาธิใช่ไหมคะพอหนูนั่งหลับตาค่ะหนูเห็นภาพ เป็นเหมือนดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ตอนนั้นเราก็หลงแล้วก็ไม่รู้อะนะคะแล้วพอมาฟังธรรมะพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ก็สอนถึงวิธีการทําสมาธิว่าการทําสมาธิอย่าไปสนใจกับนิมิตแล้วหนูก็ก็พระอาจารย์สั่งสอนแบบนั้นหนูก็เอานิมิตมันไม่ใช่ของจริงพอเราบอกจิตแบบนี้หลังจากนั้นมันก็ไม่เห็นอะไรอีกเลยค่ะพระอาจารย์มันก็มืดไปเลยจิตเราปูแตกทำไมทีนี้พอเราเราเราเรารู้ตัวแล้ว ม, มันก็อยู่ อมันรู้ว่าอ๋อมันดวนหลอกแล้วมันเลยหยุดผลิตนิมิตออกใช่ไหมคะใช่แล้วเรามี <ฮะ S 1> สติด้วยเรามีสติ ม, สตมีพุทโธมันจะไม่ผลิตถ้าท<ร>่านนั่ง่านนั่งเฉยๆไม่มีสติไม่มีพุทโธมันก็ผลิตได้ค่ะพระอาจารย์ก็หนูหนูพยายามนั่งค่ะพระอาจารย์บอกว่าวิ่งได้วิ่งเดินได้เดินคานได้คานวันไหนแบบที่แพ้คีโมก็บริกรรมพุทโธอยู่ตลอดก็อย่าให้ขาด นัางได้ก็จะนั่งค่ะพระอาจารย์ช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานได้ไหมคือตอนนี้หนูรู้สึกว่าเวลาร่างกายขอนหน้านี้หนูแพ้คีโมหนักมากรู้สึกว่าเวลาร่างกายมันทุกทรมานพุโทโธนี้มันเวิร์กมากเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. เพราะมันจะเห็นชัดเจนเลยว่าอ๋อถ้าบริกรรมพุทธโทปุ๊บเนี่ยความเจ็บปวดเรามันมันลืมไปเลยค่ะมันจะอยู่กับพุทโทแต่พอเราสบายสบายไม่เป็นอะไรพอพุโทโธทีเดี๋ยวเป็นนึกเรื่องคนนู้นเดี๋ยวนึกเรื่องคนนี้นึกวูบไปหมดเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. บางทีก็ก็มันมีข้อดีของมันเหมือนกันถ้าทุกไม่เกิดมันก็ไม่ขยันใช่ค่ะหนูก็คิดว่าน่าจะธรรมะตัดสันใช่ดีแล้วค่ะทุกบอกมีธรรมะบอกเกิดความเพียรไม่มาเพราะการทงกข์นั่งเพีลแล้วนั่งเพียลพุทธโธเพลจลาสติให้ใจหยุดคิดค่ะพระอาจารย์ก็ก็ตอนนี้หนู เตรียมตัวแล้วค่ะก็วางแผนกันว่าเดี๋ยวพอเสร็จอาหาะหนูก็อยากจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ค่ะคิดถึงที่วัดแล่ะาบางทีนั่งนั่งใจคิดถึงแต่ ว, วัดอะก็ไม่รู้อ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าสติมันหลุดหรือเปล่าค่ะพระอาจารย์ไม่เป็นไรมันเป็นฐานะมันเป็นว่าคิดเไยฝ่ายที่ดีอยางในสิ่งที่ดีเป็นเป็นบางทีก็แบบนึกนึกเอานั่งนั่งสมาธิอยู่อ่าแล้วก็มาโนไปว่าเราไปนั่งตรงตร ง, ตรงที่ตรงที่เจดีนะตรงที่ตรงอ่า ตรงตรงที่รัชการที่เจ็ดบ้างตรงที่ตรงพระบรมสารีการธาตุบ้างเนี่ยทำให้หนูจะชอบขึ้นไปนั่งสมาธิตรงนั้นนะคะก็ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะมันเป็นฉันค่ะใช่ความยินดีในธรรมนยินดีนธรรค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ก็หมดคําถามค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุขอใหหายเป็นปกตินะอสาธุพระอาจารย์ โอเคไปที่น้โมกลับมาเป็นน้โมแล้วแหละดาวน์ดวันนี้รีบเข้าครับพระอาจารย์เลยไม่ทันเนื <laughs> เอ้อเปลี่ยนคุณยายสบายดีนะคุณายายาเป็นยังไงมาคือกันเท่านี้ก็วันนี้มาส่งกันบ้านพระอาจารย์เหมือนเช่นเคยครับผมมามาก็คือก่อนตอนที่จะปิดเทอมครับ่งพระอาจารย์ผมยังไม่ได้เล่าให้พระอาจารย์ฟังแต่ว่ามัน ด้วยความที่พอมันปิดเทอมแล้ววันสุดท้ายอ่ะฮะมึงก็ต้องมีนักเรียนหลายคนเพราะว่าผมเรียนโรงเรียนอินเตอร์ใช่ไหมมันก็จะมีเพื่อนๆหลายคนที่เขาต้องกลับประเทศหรือย้ายไปต่างประเทศอะไรนะแล้วก็เพื่อนเพื่อนในห้องผมเขาก็มีไปบ้างแล้วคนในห้องก็ร้องไห้โวกันใหญ่เลยแบบกอดกันไว้รักกันจนวินาทีสุดท้ายอยฮะ บนเราก็นั่งดูอยู่เฉยๆของเราเราก็อยู่กับลมหายใจของเราอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งก็เดินเข้ามาหาผมครัอบอาจารย์แล้วเขาบอกอยู่ไม่เศร้าบ้างเหรอนี่เราจะไม่ได้เจอเขาอีกแล้วนะนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นผมก็เลยผมก็เลยถือโอกาสนี้คือเผลอสอนเข้าไปบอกจะไอ้นี่ทําไมถึงไม่จากวันนี้ยังไงก็ต้องจากกันมันเป็นเรื่องปกติไม่ชินอีกเหรอผมพอผมพูดเท่านั้นแหละเขาเงียบ แล้วเขาก็เหมือนว่าเขาก็ไม่คุยกับผมเขาก็คนนึกเองไม่ใส่ไม่ดีนะครบเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นอันนที่จะเขายังที่ว่าทุกอย่างจะต้องอยู่กันไปเรื่อยๆอยู่ไปนานๆครับอาจารย์ดีก็หลังนี้เราได้มีธรรมะเรามีปัญญามีโมเบขาใจเราก็เลยเฉยเฉย ก็คุมคุมได้ดีครับเพวัะนั้นก็มีสติ ก, ก, ากาํากับมีเบรขาที่ถูกต้องไม่ไม่ได้เกลียดใครอะไรเลยคนคนที่เกลียดหรือคนที่ชอบไปเราก็จิตไม่หวันไวเราก็อยู่สติของเราต่อไปอ เ, เชแ่แล้วเฉยๆใจเรานี่ใจเรานี่ดีมีอะไรแล้วก็มีมี ญาติธรรมที่เป็นเพื่อนเพื่อนกันนะฮะหรือว่าเขาเป็นระดับผู้ใหญ่หน่อยอ่ะเขาก็มาถามผมว่าเขาเห็นผมมาทางธรรมเนี่ยเขาก็มาถามผมว่าเหมือนอรุ ป, ปรคมเนี่ยกับพระโสดาบันะต่างกันยังไงเพราะว่าอย่างอารุ ป, ปรคมเนี่ยด้วยความที่เข้าแบบสมาธินู่นนี่นั่นจนเหมือนแบบพอตายไปก็ไม่เอารูปแล้วก็ไม่มีรูปก็ไปเกิดเป็นพรหที่ไม่มีรูปมันก็ เหลือมันเหมือ น, นแบบมีอยู่แต่ความสงบแล้วมันจะต่างอะไรกับพระโสดาบันที่สามารถละความแบบความอยากในร่างกายได้ก็คือละรูปในขันทั้งห้าได้ก็ลเลยผมก็เลยตอบเข้าไปประมาณนี้ครับอาจารย์ว่าคืออรุ ป, ปรพม์เนี่ยอ่ด้วยความที่ไปแบบสงบในฌานเนี่ยจนกระทั่งแบบไม่พอตายไปก็ไม่มีรูปเนี่ย คือเขาไม่ได้มีตอนตอนที่เขาปฏิบัติเนี่ยเขาไม่ได้มีเห็นปัญญาหรือว่าเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังนิสตาประมาณนี้แล้วเขาก็สุดท้ายเนี่ยพอกําลังฌานของเขาหมดเขาก็ต้องกลับมาเวียนว่ายู่ดีแต่ว่าอย่างพระโสดาบันเนี่ยท่านละตัวมันสักกายทิฏฐิก็ ค, คือความเห็นผิดในกายได้อย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นพอท่านละความเห็นผิดในกายอย่างนี้ได้ ท่านก็ไม่ไม่กลับมาถาวรเพราะว่าท่านท่านเห็นชัดเจนอะ่ะมันมันชัดเจนกับท่านแล้วท่านก็ลักได้จากจิตทั้งจริงๆว่ามันมั น, มนไม่ไม่เที่ยงมันอนิจจังทุกขังนัตตาท่านก็รักได้จบแต่ว่ า, าลูกปะคมนี่ท่านยังรักจากจิตไม่ได้แต่จิตท่านมุ่งสู่ความสงบจนไม่มีร่างกายแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาเกิดอยู่ดีไม่สามารถปิดอบายได้ครับอาจารย์อันนี้ผมอธิบายถูกต้องไหมครับอาจารย์ พระโสดาวันจะิงกลับมาเกิดเองก็ยังเติดกาวอยู่อย่างเงี้ยยังอยากจะเสพกามอยู่ยางเงี้ยยังมีการมาลาคาอู่ต้องผ้านาคาไปถึงไม่กลับมาเกิเป็นตนแแต่ก็ยังจะไปอยู่เป็นเนรูประพรมหรือเป็นรูปประผมเพราะยังมีเพายังติดสมาธิเติดรูปประชารึว่รูปประชาน มาละรูปปัจจานะละรูปปัจจานะที่นี้ก็ไปนิพพานไปกลับมาแล้วสามภคกามาพบมุ ป, ปะพบว่ามุ ป, ปะพบ ก, ก็ไม่กลับมาต่อไปนี่เป็นไรนะนนนแล้วนะครับอธิบายแล้วก็แล้วไปแต่ว่าก็เขาผมก็พูดประมาณนั้นแหะครับว่าก็แต่ก็ยังพระโสดาบันก็ยังต้องกลับมาเกิดอีก มันก็อีกไม่เกินเจ็ดชาติแต่ว่าในความที่ท่านละสังโยได้แล้วมันก็เหมือนตกสุกกระแสแล้วลำงทานแล้วยังไงมันก็ต้องไปสู่น้ำใหญ่ครับก็อธิบายไปประมาณนั้นแล้วก็ไม่แน่ใจว่าถูกผิดประการใดก็ขอขอฝาญาติธรรมกับพระอาจารย์หน่อ ย, <笑><笑>ยก็ยังไม่ค่อยแม่นเหมือนกนันก็ต้องฝึกปฏิบัติด้วยเหมนกันครับแล้วก็ ตอนนี้ก็เราก็พยายามฝึกอยู่กับตัวสติหรืว่าอยู่กับตัวรู้ให้ได้มากที่สุดนานที่สุดบ่อยที่สุดนะพระอาจารย์ก็พอเราเราฝึกอยู่อย่างนี้เรื่อยๆสม่ำเสมอนะครับระอาจารย์มันเราก็อย่างที่เคยเรียนพระอาจารย์มันเหมือนพูดกับคนทังโลกคนละภาษานะ ตอนนี้เราก็เราก็ไม่ค่อยสูงสิงแล้วพอเรามาทางธรรมเนี่ยเราเห็นเล็งเห็นประโยชน์ของว่าสีห้าเนี่ยเราต้องบริสุทธิ์ไม่งั้นเราข้ามไปฝั่งโลกุตตะลาไม่ได้สีห้าเราจะต้องบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นผมจะคือผมเข้าใจผิดนะฮะตอนแรกพอได้ความที่เราบอกว่าไม่โกหกเลยเราก็เป็นคนตรงเถียงเลยกฎเป็นยังไงก็ต้องทําตามกฎไม่ไม่มีความยืดหยุ่นแต่สุดท้ายก็ คุณแม่เขาก็เตือนบอกเออก็ถือศีลก็ถือไปแต่เวลาพูดอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบโจมตีให้ยอมหยุดเย็นยิ้มแบบอาจารย์สอนไม่งั้นมันคนมันก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะว่าเราก็ตรงเกินไปนะครับอาจารย์เช่นถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดอะไรเงี้ยบางทีเห็นเขาทําผิดจิตรล้วทำเราก็เหมือนแบบดุเขาเตือนเขาอย่างเงี้ยฮะแต่บางทีเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นอนัตตาเราควบคุมไม่ได้ เราไม่ใช่เรื่องของเราซะหน่อยราอยู่ที่ตัวเราองเอยู่ที่ตัวเราแต่เขาไม่ได้ขอเราให้เราไปเตือนเราไม่ต้องไปเตือนเขาหรอกเมื่ทีมันอดไม่ได้พ่อจันเช่นมันเขากำลังทําผิดแบบผิดกฎโรงเรียนอย่างเงี้ยคาหนังคาเขาเราก็เตือนเขาแบบดีๆก็กิเลสของเราก็อยากความอยากจะไปเตือนเขาว่าเป็นกิเลสครับพ่อจันก็แล้วก็ต้องเงียบๆไม่ใช่เรื่องของเราเงีบ ถ้าเขาถามก็บอกเขาได้ถ้าก็ถามก็ต้องถามไว้ให้ถึงอยากอยากจะฟังจริงๆเ้าบอกเราพูดความจริงนะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จริงๆทุกคนเวลาทําผิดก็ไม่ถามนะถมก็อย่าไปยุ่งกับเขาต้องปล่อยเขาไปโตโตโตทำไมเขาจะไม่รู้ว่าเขาทำผิด เราทำผิดรู้มันทุกคนนะแต่มันหยุดไม่ได้ห้ามใจไม่ได้ไม่มีสติแล้วก็เอาตัวเราละกันไม่ใช่ของเราเยางงุ่งส อ, สอนตัวเราตื่นตัวเราไปก่อนเทอไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องคนอื่นขอบคุณมากครับอาจารย์ก็มีท่านี่แหละรับกั นี่แหละครับได้ประโยคนี้แล้วจบเลยครับเป็นการ้าดที่ต้องทำจนกว่าจะถึงวันฟุตหน้าเลยครับหรือตลอดชีวิตเลยตอนตอนก่อนที่ไปเตยคนเดินเตือนเตือนตนให้ได้ก่อนครยังเรายังรึ้สึกอยู่นะคะย่าพยานแข็งแรงนะอยู่ไปนานอาจารย์ครับมีของทางทีมงานทำเป็นเหมือนแบบ อ่เป็นโปสเตอร์มั้งครับที่มีรูปผมกับคุณยายแล้วก็เป็นเหมือนข้อความจากในรายการซูมเราอรอ า, าจารย์แล้วก็เนี่ยอ่ า, อายายอ่านแล้วยายชอบมากยายแบบ ปิ้นติดเลยใส่กล่องไปยายบอกยายจะตื่นมาอ่านทุกวันยายจะได้จําขึ้นใจเนี่ที่พระอาจารย์บอกเนี่ยร่างกายเราเป็นดินน้ําลงไฟเดี๋ยวมันก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่าไปกลับบ้านเก่าแล้วเนี่ยยจะได้กลับแล้วค่ะไม่ต้องไปทื่นแล้วอยู่บ้านเก่าใช่ยังไงกลับบ้านเก่าครับขอบคุณในความเมตตาครับที่พระอาจารย์ทัดแต็งแรงค่ะทุกท่า ไปที่บุญดอนุญแดนสุภารดาขอบคุณม่สักการะพระอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะไม่เคยมีเลยดีแสดงว่ารู้หมดแล้วเข้าใจหมดแล้วก็เรียนรู้แล้วปฏิบัติตามค่ะอ่าสาธเท่าขอบพคุณพระอาจารย์มามานะเจ้าค่ะไปที่บอเวนชมบรีมุญสุภารา กล่าวมรดการพระอาจารย์แล้วค่ะวันนี้เข้ามากลาวพระอาจารย์แล้วก็มาร่วมฟังธรรมเจ้าค่ะไม่มีอะไรนะยินดีเจ้าค่ะยินดีพุทธมนตรสายสามหือสายสองสายสองไหมเป็นยองเย็นกล่าวมรดการพระอาจารย์เจ้าค่ะก็จะมารายงานพระอาจารย์ค่ะว่าพรุ่งนี้จะต้องขึ้นทําข้อสอบตรงโดยตรงแล้วค่ะพระอาจารย์ก็จะมาขอ เอ่อพอรจากพระอาจารย์นะคะให้โยมได้มีปัญญาแล้วทําข้อสอบผ่านเจ้าคะ่ะเตอตาเย็นตโนนาเถ้าแค่ะพระจ่าค่ะเราไม่ได้ไปทำไปทข้อสอบให้พรเลยมันจะท่านนั้นไม่ให้ให้ให้พรโยมมีกําลังใจอะค่ะโยมตั้ง <S <S ห, หน้าตั้งตารอเลยคะ <S <S ่ะวันนี้มันพุธต้องมากราบพระอาจารย์ขอกําลังใจพระอาจารย<ม>์เจ้าค่ะก็ใช้ไใช้จรักใช้อริยสัจสี่ค่ะใช่ค่ะ แต่โยมก็คิดว่าโยมน่าจะทําข้อสอบผ่านกับเพราะโยมเป็นลูกศรรษิษย์พระอาจารย์ไม่ผ่านไม่ผ่านคราวนี้ก็มันก็ลองตอหน้านต่อก็ได้ ไ, ได้ค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะเสร็จแล้วจะใหวโยมมารายงานพระอาจารย์นะคะว่าโยมผ่านไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็อย่าไปเสียใจเรื่อเนัเ้นค่ะบอกว่าสแสดงว่าเราอดซ้อมหมดนทับกันว่าใช่ค่ะแต่โยมคิดว่าโยมโยมสู้ได้ค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะ ถ้าไม่กลัวแล้วก็โอเคค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์กับขอบพระคุณพระอาจารย์ในคำสั่งสอนพระอาจารย์นะเจ้าค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ค่ะคุณหน่อยชัยนิชชัยนิชการมากการพระอาจารย์เจ้ค่ะวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะไม่เข้ามากาบพระอาจารย์อไม่มีอะไรจะเล่าให้ฟังวันนี้ ก็ทุกอย่างก็ยังดําเนินการเหมือนเดิมยังจมกลองกิเลสอยู่เลยเจ่าค่ะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะไม่มีการพัฒ น, นาเลยไม่มีการพัฒ น, นาเลยนะก็ยังถือสินห้าเรื่อยๆเรื่อยๆื่อยๆไปเจ้าค่ะก็เไ ม, เไม่ไม่อดข้าวเวยน็นบ้างอดไม่ได้เจ้าคะ<ม> <laughs> หิวว่าอจารหิวมาก พอจะอดแล้วก็หิวแล้วก็หลับดีมากเลยใช่ป่ะก็ติดติดติดก็รีกติดจะไปก่อนพวกนี้เป็นเหมือนพวกวันแรงวันชอบตอมจระตอมสุดทางทำรูปเสียงกินลกับเลยพระอาจารย์แล้วค่ะคือมันมันเป็นอย่างนี้แล้วค่ะมีนิดนึงก็ได้คะคือตอนเนี้ยที่พระอาจารย์บอกว่าขาดสติ พอพอหน่อยมาเจริญสติมันก็ไม่ได้สมาธิเลยแล้วค่ะก็เพิ่งเริ่มเลยต้องเจริญเยอะๆไม่ใช่ทาปุ๊บจะได้ปั๊บเนีสติมันเป็นของง่ายที่ไห น, นก็ต้องใช้เวลาเหมือนปลูกต้ตนไม้นะอ๋อหนก็เลยงงพอฝึกไปเรือร่อยๆึกไปทั้งวเจ้าค่ะอพอมาทางสติปุ๊บสมาธิไหนก็หลุดไปเลยก็แต่ว่าก็ยังดี ก็คว่าพอมีสติปุ๊บบีแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนกับเราทําอะไรเราก็มีสติตลอดแต่ว่าขาดตรงสมาธินี่และเจ้าค่ะก็ไม่นั่งเยถ้ามีสติแล้วก็นั่งมาถึงจะได้สมาธิสมาธิคือความเลี่งของจิตด้เลี่ยงไร้กตองนั่งแล้วก็มีสติคำกับความคิดให้คิดพออยู่ความคิดได้จิตก็เลี่งก็เป็นสมาธิหนึ่งมาแล้วค่ะก็พยายามให้ คือมีสติในการทํางานแล้วก็ทําทุกอย่างที่พอาจารย์บอกนะคะก็คือว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันก็คือมีสติถูกไหมเจ้าคะ่ะแล้วก็ต้องเวลามีว่าเวลาว่างก็ต้องมานั่งสมาธิจิตไมถึงจะได้สมาธิมีสติอย่างเดียวมันไม่มันยังไม่ได้สมาธิต้องนั่งเฉยๆแล้วก็ดูลงนึกโถไปเจ้าค่ะก็อย่งายงเจ้าค่ะเป็นอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นถ้า อย่างนั่งสมาธิทุกวันอ่ะจะได้ไม่นานแต่ว่าถ้านานๆทีมานั่งอย่างเงี้ยเจ้าค่ะที่แบบจเจริญสติแบบสุดๆแล้วมานั่งอย่างเี้ก็จะได้นานเจ้าค่ะก็ผ่านความเจ็บปวดสองรอบรอบแรกรอบสองเจ้าค่ะคือคื อ, คอแบบขาชาเหมือนมดพันตัวมาิกัดแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาชาอีกแล้วก็มดพันตัวมากัดอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นตลอดเจ้าค่ะดีมันทํำไปเรื่อยๆนะ เจ้าขาโอเคไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีคแล้วจนะ้าค่ะคุณสมภพได้ยินไหมคุณสมภพใช่พูดไปได้เนละครับพูด <c oughs> ได้เลยครับสมาสการครับอาจารย์อยู่ที่ไหน <c oughs> ตอนนี้มาอยู่ที่บ้านพนม วู่นแบบนี้สัญญามันก็ทำงานครับทำงานอยู่ที่อยงางไรนอยู่จออังหวัไหนบ้านอยู่เบือนการครับเบือน์นการมีอะไรไหมครับผมมีอะไรจะถามไหมออ้าความคิดความรู้สึกนี่เราเรา แค่ดูมันนิเฉยยังไงครับแค่รู้แล้วก็อแม่ต้องไปบังคับไปเพ่งอะไร้ยต้องคุบมันต้องควบมันต้องควบความคิดคุบความรู้สึกครับใช้สติใช้พุตโตครับอย่าให้มันมีความคิดอย่าให้มันมีความรู้สึกให้มันรู้งเฉยเอยให้อุเบกขาไว้ก่อนครับอุเบกขาไว้ก่อนมันถ้าไม่ควบมันเดแล้วมันรู้สึกโกรธมันก็จะระบาก เวลาโลกมันก็จะระบายออกมาถ้าคอยคบคอยควบคุมมันคอยหยุดมันด้วยคำโต้พูดถช น, นะเข้าใจั้มครับผมโอเคมีใจนี้ใช่ไหมใช่ครับอโอเคใันที้คนณหลงตาคนเหลงก็ทำ่ะ กลับนมันสการพระอาจารย์ยอมหนิมอยู่กออรทมค่ะอยู่แถวบางนาเจ้าค่ะทางไปสมุทรปราการแล้วเจ้าค่ะไปเทข้างนั้นค่ะเจ้าค่ะแถวแถวนั้นเจ้าค่ะ mm hmm. วันนี้มีสามคำถามเจ้าค่ะอีกคำถามหนึ่งคือเป็นคำถามที่ลูกชายฝากถามมาหดี๋ถามก่อนเลยนะคะเดี๋ยวกลัวจะลืมเจ้าค่ะ mm hmm. ก็วันนั้นได้คุยกับลูกถึงถึ ง, ถ, งถึงการนั่งสมาธิอเจ้าค่ะ ทีนี้ว่าแล้วก็เลยพูดกันเรื่องคณิกาสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิทีนี้ลูกชายคนโตเขาก็เลยพูดว่าผมว่าแม่ไปถามพระอาจารย์ดีไหมเวลาแม่นั่งสมาธิอะ่ะพูดค่าพาะพอใครทำเสียงดังนิดหน่อยแม่ก็ออกจากสมาธิและแต่เวลาที่แม่เล่นโทรศัพท์ผมเรียกเรียก แม่ไม่รู้สึกตัวเลยแม่ได้สมาธิตอนที่แม่เล่นโทรศัพท์นั่นแหละหนูบอกไปถามอาจารย์ซิว่าอันนี้คืออะไรทําไมเธอเวลาที่อยู่ในสมาธิเวลาเล่นโทรศัพท์อะ่ะมันถึงสมาธิลึกแต่เวลาตัวเองนั่งสมาธิอะ่ะกลับเป็นสมาธิตื้นเจ้าค่ะหนูก็เป็นคําถามที่ดีหนูเลยว่าขอข อ, ขอคําแนะนำเจ้าค่ะคนละเอียด ก, กันไอนที่เวล า, าดูหนะังฟังเพลงนั้นมัน มันเพลิน ม, มันก็เลยไม่ได้สนใจกับเรื่องรับท่ามเราใครจะพูดอะไรใครจะอะไรนะก็ไม่สนใจมันไม่ใช่เป็นสมาธิหร อ, อ เ, เรื่องของถ้าสมาธิมันต้องเน่งเงียบสงบอันนี้มันเพลิดเพลินกับรูปเสียงกลิ่ค่ะกํ <Okay. S 2> าลังเมามันอย่างเงี้ยถ้าจะพูดกําลังมันกําลังเมากว่ามันเลใครจะมาเรียกมาอะไรไม่อยากจะสนใจไม่อยากจะรับรู้ เพราตอนเล่นกำลังเมามาันติดตามกราหนรูปเสียงเกณฑ์รถที่เรากําลังสัมผัสเจ้าค่ะไม่ใช่สมาธินะโอสมาธิมันต้องนิ่งจิตไม่คิดแล้วก็ไม่มีอะไรให้รับรู้นอกจากความว่างจริงๆเรื่องสมาธิที่เราออกมาปุ ก, ก็แสดงว่ายัางยงัยงยังไม่ได้เข้าไปในสมาธิเราเพียงแต่อยู่กับพุทโธพุทโธไปเมอใครมาเรียกปุ๊บก็กิเลสมันก็เลย มันก็เลยมันก็เลยดัน เ, ย น, นเราออกมา ท, าทันทีแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าเขากบบใครกำลังเรียกเรามีทุละอะไรเจ้าค่ะยังไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิจริงๆอ่ะมันที่ใครเรียกก็ไม่สนใจนิ่งไปแต่ไม่นั้นไม่เห ม, ม, ม, ม, มือนนิ่งกับการ น, นูนัเล่นต่อสับเล่นเกมนกี้ไม่ใช่คนนั้นเล่น เจ้าค่ะทางโน้ตเขาจะใช้คําว่าสมาธิมีสมาธิในการอ่านหนังสือหรือมีสมาธิในการทับกับข้าวมีการสมาธิกับการพูดถใช้ออสัมตนอนยึงมันม่นหมายถึงมีส ต, ติอยู่ครับแต่เป็นส ต, ติที่ไม่ดีสติวิ็นชาส ต, ติมันเป็นส ต, ติที่มันไม่ได้อยู่ควาคิดไม่ได้อยู่อารมณ์มันเป็นส ต, ติที่บุก ปกความคิดปลุกอารมณ์ให้เกิดขึ้นอย่างนี้เลโอเคไม่ตัวค่ะ <Okay. S 1> แล้วที่บอกว่าอย่างเด็กสมัยเนี้ยที่เล่นโทรศัพท์ตั้งแต่อายุยังน้อยมันทําให้เป็นสมาธิสั้นอันนี้คือคือคือคื อ, คอน่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมเจ้าค่ะโอเคถ้าสมาธิสั้นก็คือมีสเต็จน้อยไงไม่ใช่สมาธิใจมันไม่จดจ่ออยู่แับเรื่งานเรื่องหนึ่งได้นาน ไม่มีสติที่จะควบคุมให้มันอยู่กับพุโทโธได้อยู่พุโทโธได้สองสามคำก็หยุดแล้ ว, วา็ยังไม่ใช่สมาธิสั้นสติสั้นแต่เราใช้คําสมาธิแทนสติกันทางโลกเจ้าค่ะเนินสมาธินี่ทางโลกไม่มีใครได้รู้ไม่มีใครเข้าถึงหรอกสมาธินี่ต้องขนาดผู้ปฏิบัติยังกว่าจะเข้าถึงสมาธิได้ต้อเหยือขึ้นคอกว่าจะเข้าได้เจ้าค่ะ ทางโลกเขาใช้เอาคบสมาธิมาใช้กับแทนสติจริงเข้ามาถึงสติสติไม่มีเลยสติมีนิดเดียวสั้นอยู่แบบพูดโทนได้คำทองคำก็ไปแล้วคิดอนะไรนั้นให้ทำงานทําทำได้ปุ๊บเดียวไปแล้วที่งานแล้วมันจะเป็นคนวันนี้เราเป็นคนมสติสั้นไม่ใช่สมาธิสั้น มีเรื่องหนึ่งพระคุณเจ้าอันนี้คือสังเกตว่าคือถ้าเกิดเราเล่นโทรศัพท์เนี่ยค่ะคือเหมือนว่าเราอ่ะใช้โทรศัพท์ก็คือทั้งวันอยู่แล้วจ้ะค่ะไม่ว่าจะโอนเงินไม่ว่าจะอะไรทุกอย่างพอเราแล้วข่าวสารต่างๆอ่ะเราก็เลือกสิ่งที่เราต้องการได้มันเหมือนกับว่าทําให้เราใจร้อนขึ้นไหมคะคุณคะว่าบางทีอ่ะใครพูดเลยช้าโอ้โ ว, ว่าหนูเป็นทําไมพูดช้าจังเหวอว่าบางทีเราก็อยากจะแบบผันผ่านแบบ เหมือนเราจะเลือกสิ่งที่เราสนใจได้อย่างเงี้ยค่ะว่าอันนี้แบบคนพูดเนี่ยพูดนานไม่อยากฟังแล้วอยากให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยมันทําให้เราอันนี้เรียกว่าสมาธิสั้นกิเลสมากขึ้นสติสักสักระคบขกิเลสเราไม่ได้สติเราน้อยมันก็เลยความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาง่ายเราแค่พูดอะไรไม่ถูกใจเราเราก็ไม่อยากจะฟังนะ มันมาจากตัวเราเองหรือว่ามาจากสื่อที่เราไปเสพอะคะอันเนี้ยมันอยู่กิเลสของเราไงเราไปเลือกเสพสื่อที่เราชอบมื่เราไปฟังสื่อที่เราไม่ชอบเราก็เลยเกิดความลรงคานใจขึ้นมาอ๋อเจ้าค่ะอ๋ะจอจะทางนั้นคราวนี้ถามเรื่องการปฏิบัตินะเจ้าค่ะเอาก่อนพูดถึงเรื่องเวทนาเจ้าค่ะก็ ได้ได้ได้เจอแต่ว่าไม่ตอนตอนกลางคืนนะคะยมจะตั้งเวลาประมาณตีสี่มาเริ่มปฏิบัติเจ้าค่ะทีนี้ว่ามีวันหนึ่งเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นตะเป็นตะคิวอะคะ่ะคือแบบมันปีติขึ้นมาเลยเจ้าค่ะทุกทีหนูเป็นหนูจะแบบร้องไห้แบบแบบถ้าจะร้องไห้เลยแบบเหมือนสติแตกแบบมันเจ็บอะคะ่ะครั้งนี้หนูใช้พุดโธและวหนูก็พูดโธพุดโทพุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็มีมีช่วงหนึ่งก็คิดว่า เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วกไ็ไม่ไม่ไม่ดีขึ้นก็เลยพุโทโธจนแบบมันหายไปเองก็ดีใจมากเลยคะ่ะว่าครั้งนี้หนูผ่านมันได้และต่อไปถ้าเกิดหนูเป็นตะคิวหรือหนูเจ็บอีกหนูก็ใช้พุโทโธไปเจ้าค่ะทำใจเฉยๆไปน่นกา ร, รณ์เฟรนิการั น, นตตาหนูยังว่ามันพอพอพอทำอย่างนั้นมันมันเหมือนต้องต้องดึงจิตออกมาเจ้าค่ะพอไปมองความเจ็บแล้วมันจะยิ่ง ยิ่ง่เพราอยากอยากให้มันหายอยากให้มันหายเจ้ค่ะอืมแ้วเฉยๆมันก็จะเจ็บเครื่องเดียวเจ็บที่ร่างกายแต่ใจไม่เจ็บไฟอะไรเจ้าค่ะแล้ววันที่สองก็มาเลยเหมือนมาช่วยทดสอบหนูวันที่สองปั๊บหนูก็ตื่นมาอ๋ออันนี้มาปลุกหนูก่อนตื่นเลยเพราะว่าหนูอาจจะรับประทานอาหารเยอะก่อนนอนแล้วมันปวดท้องมากมันคงจะเป็นกดไหลย้อนะคะพระคุณเจ้ามันแบบอยู่ๆมันปวดท้องมากมากเลยอะค่ะ แล้วหนูกิเอ๊เป็นอะไรนะ อ, อ๋แต่นูเคยเป็นกดไหลย้อนเมื่อเมื่อเมื่อหลายปีก่อนคะ่ะแล้วก็ไปถามหมออ๋อมันจะเป็นอันเนี้แหละเขาเรียกกดไหลย้อนแล้วก็หนูก็โอ้ทรมานมากอ๋ทรมานกพ็พอดีเป็นเวลาที่จะต้องตื่นมาปฏิบัติพอดีแต่มันก็ก็เลยทําให้เรานั่งอ่ะนั่งไปแบบมองดูความแบบแบบเจ็บปวดของร่างกายคะ่ะแต่ว่าพุดโธนะคะพุดโธไปด้วยแล้วก็แบบทําใจแล้วก็เห็นเห็นเห็นร่างกายของเราเห็นความเจ็บปวดที่มันแบบ เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปพอหกโมงเช้ามันก็มันก็มันก็ทุเลาเกือบหายสนิทแล้วค่ะจากประมาณเกือบตีสี่จนหกโมงเช้าก็คุมสติได้ดีค่ะจากแต่ก่อนที่หนูเป็นนิดเบีหนูเกือบหนูว่าหนูเกือบตายเลยอ่ะเพราะว่าเราไม่เคยเป็นเราไม่รู้เป็นอะไรมันปวดแสบปวดร้อนแล้วแบบเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรกลางดึกอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันเจ็บปวดอะค่ะก็ครั้งนี้ก็รู้สึกว่าโอพุทโธช่วยเราได้สองวันให้ผ่านเวทนามาได้เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ ไม่ต้องหายากกินนะ่เป็นทงต้องธรรมดาต้องดิน้นหายากกินหรือเปล่าบดิ้นหายากกลางดึกมันก็หายากเจ้าค่ะมันไม่รู้าาจะกินยาอะไรด้วยอ ะ, อะต้องใช้ธารมะสุดแทน <c oughs> เจ้าค่ะอ็เลาถึงสตินี่ครับปัญญาที่ <c oughs> หลับใจครับ เจ้าค่ะค่ะ ไ, ไม่มีคําถามแล้วเจ้าค่ะกลับ <Okay. S 2> ขอบพรคุณเจ้าค่ะไปได้คุณหมอเสด็จสนีพระทุตไทยนี้ธรรมสการท่านพระอาจารย์เจ้าครวันนี้ไม่มีคําถามค่ะไไงผ่านข้อสอบมาหรือเปล่าหนูคิดว่าผ่านเจ้าค่ะเดี๋ยวต้องรอรอรอร อ, รอข้อสอบสดอื่นๆเจ้าค่ะหน้าชุด จุดแค่เป็นเนื้อง่ก็รู้สึกว่าสามารถทําใจให้เป็นปกติได้เจ้าค่ะมันจะเป็นอะไรก็เราก็ต้องเป็นเป็นปกติว่าเราไม่ได้เป็นมันแคหน่อยเจ้าค่ะมันยังเป็นผู้รู้นละนู้ไปรางกายก็ต้องเป็นอะไรไปมันเป็นตามเรื่องของมันไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเป็นรู่นเป็นนี่กันมาเจ้าค่ะอาจารย์เราควบคมันไม่ได้อนาตตาเนะเจ้าค่ะ ให้เรูกลั้เฉยๆไปมันจะเป็นอะไรก็รู้ไปรักษาได้ก็รักษาไปเจ้าค่ะอย่าทุกกับมันนะเจ้าค่ะมีอะไรไหมมีอะไรจะถามไหมไม่มีคำถามเจ้าค่ะเดี๋ยวรู้จะพยายามเพิ่ ม, มเวลาในการปฏิบัติสมาธิให้เพิ่มขึ้นเจ้าค่ะต้องการบริกนะารนบริกานี่จะเป็นตัวที่ทำให้ใจเรา น, น่งเจ้าค่ะท่านผูอาวุโ แต่ขอบคุณค่ะอันนี้คนไอแพนไอแพนอยูี่ไหนไอแพนไม้ยินไหมเขาเปิดหม้าก่อนอ่นนี้มุมซ้ายหน้าที่หน้าจอบนด้านซ้ายล่ามีเตอร์ปุ่มโอเคพูดได้เลยนมัสการพระอาจารย์ได้ยินไหมคัไ่ยินไม่ยินอยที่ไหน เออคผมมีคาถามมาเรียนถามพระอาจารย์ครับพอ ด, ดีได้สนทนาทำกับพี่ที่รู้จักกันนะครับแล้วก็มีอาจจะเป็นคำศัพท์เป็นนิยามในทางธรรมอะไรอย่า ง, างนี้ลักษณะที่เข้าใจไม่ตรงกันพี่เขาก็เลยแนะนำให้เรียนถามพระอาจารย์ดีกว่าครับก็คือเดี๋ยวขอญาตข้อแรกเลยครับเออคำว่าอัปปนาสมาธิเนี่ยครับ <Es> หมายถึงกําลังสมาธิในระดับชานขึ้นไปถูกต้องไหมครับชา น, นชานสี่านสี่ต้องชานสี่เท่านั้นใช่ไหมครับชานสี่นี่อย่าไปดับสมาธิครับแล้วก็ข้อที่สองครับถ้านั่งสมาธิหรือว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยรู้สึกเขาเรียกว่าปิติมั้งครับเช่นเห็นแสงบ้างตัวหมุนติ้วบ้างอขัน้ขนที่สองขั้นที่สอง อันนี้ถือว่าเป็นอันนี้เป็นอาจารย์ถือว่าอยู่ในระดับชาญิสองใช่ไหมครับชาติสองน่าจะเป็นชาติสองคุณไปเปิดดูดนในชานิเขาะจะมีอาการชาตหนึ่งมีอากา ร, รอะไรบ้างชานิสองมีอากันบ้างครับเพราะว่าตอนแรกผมก็อ่านดูในในตำราในหนังสือก็เข้าใจอย่างที่พอาจารย์บอกแต่พอดีเคยไปถามพระลูกหนึ่งท่านก็บอกว่ายังไม่ถึงชาตหนึ่งก็ได้สงสัยว่า ว่าคืออะไรอย่างไงครับก็เลยมาเรียนถามอีกรอบเลยทำเป็ถามคนไม่รู้แล้ก็ได้คำตอบที่ไม่ชัวครับตอนนี้ก็เชื่อตามในตําราว่าพอมีปิติก็้แปลว่ า, าอยู่ในระดับชั้นสองแล้วสักพักหนึ่งถ้ามันหายไปแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่ชั้นสามอย่างเงี้ยครับก็ไม่ต้องไปรู้ขอให้เราอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวอยู่บารมีไปอย่าเดียวชดปิตมันจะเป็นเป็นอาการเงี้ยก็ไม่ต้องสนใจ มันก็เปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติมันเกี่ยร์ยิงเกียวโต้เข่าวรถเกียร์โต้บอกครับมันจะไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่เกียร์หนึ่งและเกียร์สองไม่รู้ครับเออมันก็ปอดมันกมันก็เปลียนไปเลยอัตโนมัติครับเรามีหน้าที่เหยียบคันแรกแล้วก็เหยียบไปครับเรามีหน้าที่มืูท่อมีหน้าที่ดูว่าถึงไปครับมันต้องไปสนใจวมันอยู่มันต้องไปสนใจว่ามันอยู่ชานหนึ่งชานสองหรือชานสามด้วยชาน จริงตอนปฏิบัติก็ไม่ได้สนใจครับว่าเอ๊ะเราอยู่ขั้นไหนระดับไหนแต่พอดีเวลาเราสนทนาทำกับพี่เขาแล้วเราหาคำนิยามหรือว่าขอบเขตของมันไม่ได้ที่มาจำกัดความก็เลยสื่อสารกันไม่ค่อยจะเข้าใจนนเลยต้องพยาตามองสารคดีติดโคลต้องปฏิบัติเองคนได้ขงข้าวเขาบอกมันเป็นอย่างนี้ครับมันกินคุณกินข่าวคุณจะมาบอกได้ไหมว่ากินข้าผิดครับได้ได้ความอิ่ระดับไหนครับ แล้วก็ข้อที่สามครับผู้ที่เป็นอริยาบุคคลแล้วหรือโสดาบันขึ้นไปแล้วนี่ครับจําเป็นหรือไม่ครับที่จะต้องมีกําลังสมาธิในระดับชาญถึงจะได้เป็นนะครับครับถ้าจําเป็นเนี่ย อ, อย่างน้อยจะต้องมีกําลังสมาธิในระดับใดครับหมายถึงว่ า, ากําลังัปาสมาธิก็มีอัออปนาสมาธิขึ้นไปอ๋ อ, มอหมายความว่าครับหมายความว่าฌานสี่เนี่ยเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการ ใช่ก็จะรับสมบูรณที่จะจะได้ปัญญาได้ถ้าไม่มีไม่มีชาญสีมันไม่มีกำลังอ๋อครับเอ่อข้อที่สี่ครับอันสำหรับผู้ที่เป็นโสดาบันแล้วหรือว่าเป็นอริยะแล้วอย่างเงี้ยครับจะมีความฝันหรือไม่ครับถ้าหากว่ามีเนี่ยมีเหมือนกันใช่ไหมครับ ครับแล้วถ้ามีถ้ามีเนี่ยจิตหรือตัวเราเองในฝันอย่างเงี้ยจะเป็นจะเป็นอริยะเหมือนกันไหมครับหมายถึงว่าจะมีสังโยชน์ที่สมมุติโสดาบันเนี้จะไม่มีสังโยชน์สามแต่พอเวลาฝันอย่างเงี้ยก็ในฝันในฝันไม่มีสังโยชน์ันอ๋อเช่นการไปเจออาการจะถูกเ้ายิงตายมันก็เฉยๆครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับเอ่อ อย่างผมเข้าใจเนี่ยคำว่าสมถภาวนาก็คือการฝึกกําลังสติและฝึกกําลังสมาธิครับโดยการเพ่งอารมณ์เช่นพุโทโธพุโทโธหรือลมหายใจเข้าออกอย่างส่วนตัวผมเนี่ยก็จะเพ่งความวันไหนที่ไม่ค่อยฟุ้งซ่านก็จะเพ่งความว่างคือแบบไม่เพ่งอะไรเลยเพ่งความไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้การคือเป็นการเพ่งฝึกเพื่อให้จิตเนี่ยมันนิ่งให้เป็นอุเบกขา ให้จิตมีสมาธิอันนี้คือสมาทานภาวนาอันนี้ผมเข้าใจถูกต้องใช่ไหมครับก็คือเป็นการเข้าฌานเข้าฌานเข้าฌานสิโดยใช้ความว่างเป็นเราครับไม่ใช้พุทโธไม่ใช่ลมแต่ใช้ควาว่ารครับใช่ครับ้ำได้ปะถ้าเกิดวันไหนไม่ฟุ้งซ่านก็ทําได้ถ้าวันไหนฟุ้งซ่านก็ใช้พุโทโธมาช่วยครับโอเครครับครับเอ่อ แต่ที่สงสัยครับก็คือวิปัสสนาครับสมาธิภาวนาพอเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าวิปัสสนาเนี่ยผมเข้าใจว่าคือการพอจิตเรามีสมาธิมีกําลังแล้วเนี่ยเราก็ใช้การพิจารณาเช่นพิจารณากายว่ารูปไม่เที่ยงร่างกายไม่เที่ยงนามไม่เที่ยงคือเราใช้ใช้กําลังสมาธิของเราเนี่ยไปพิจารณาธรรมอันนี้คือสิ่งที่ผมเข้าใจว่าเนี่ยคือการวิปัสสนาแต่ว่า เป็นการศึกษาความจริงของหน้ากายครับแต่ว่าผมมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มีพระสอนในสถานที่นี้ท่านเขาสอนว่าเราไม่ต้องไปไปคิดพิจารณาวิปัสนาคือการเขาให้ตามดูคือตามรู้เช่นได้ยินก็ให้รู้ว่าได้ยินคิดก็คือให้รู้ว่าคิดหนอได้ยินหนอคิดหนอรู้หนอ ร้อนหนอเจ็บหนอเบื่อหนาหมุดหิ่นเนาไม่ต้องไปคิดพิจารณาต่อเดี๋ยวปัญญาจะเกิดขึ้นเองแค่ให้ตามดูรู้เฉยๆผมเลยสงสัยว่าแบบไหนคือเรียกว่าวิปัสสนาแบบไหนถูกหรือผิดกันแน่ครับแล้วเราควรทํำยังไงวิปัญญามันต้องเห็นตายรนะักวิปัสสนาต้องเห็นตายรนะักเห็นการเกิดดับของของสภาวธรรมทั้งหางลายร่างกายเช่นคันห้า ในามันเกิดดับเกิดดับมันไม่มีตัวตนครับถ้าไปยืดไปติดไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะทุกอะไรนะเมื่อเราไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากเราไม่ได้เสมอไปในร่างกายเราอยาก ใ, ให้มันไม่แก่ได้ไหมไม่ได้ครับอยากให้มันไม่เจ็บได้ไหมไม่ได้ครับเนาะพอไปอย่ากแล้วเกิดอะไรขึ้นมา เป็นทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องไม่อยากใช่ไหมครับเราปล่อยมันแก่ไปปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันตายไปนี่ปัญญาวิปัสสนาเราเห็นตายแล้วที่เขาบอกให้ดูดูดูเฉยๆก็เห็นเกิดดับเกิดดับแ ต, แต่ใจเายยังทุกข์กับมันอยู่หรือเปล่าเนี่ยโดนทรมานอยู่ตรงนั้นถ้าดูแล้วไม่ทุกข์ก็ใช้ได้อ๋อถ้าดูแล้วรู้แล้วเข้าใจก็แปลว่าใช้ได้ ไม่ไม่กระทุกขับมันไม่เกิดความอยากให้มันไม่ดับเวลามันดับก็ไม่เกิดไม่ได้เกิดความอยากให้มันไม่ดับเวลามันไม่เกิดเวลามันเกิดก็ไม่ได้เกิดความอยากให้มันไม่เกิดนี่มันก็ถ้ารู้เฉยเฉยก็มันก็ใช้ได้ไม่ทุกแต่บงทีมันมันไม่เฉยสิเวลาได้ยินเสียงด่าเฉยไหมบางทีมันก็อยากจะตอบโต้อะไรว่าไปใช่ไหมครับรู้เสียใจขึ้นมา อันนี้ก็แสดงว่าไม่ ไ, ไ ม, ไไ ม, ไไมไ่ไม่ได้รู้เฉยเฉยอ่าคือความหมายที่กระผมสงสัยคือว่าสมมุติว่าเรานั่งสมาธิเราปฏิบัติอยู่เนี่ยเราจิตพอเราเริ่มนิ่งแล้วเรารู้ตัวเองว่าเรานิ่งในระดับพอสมควรแล้วเราไม่ฟุ้งซ่านแล้วเราอยู่ในกำลังฌานแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะวิปัสสนาเข้าสู่ตามวิปัสสนาอย่างเงี้ยเราจะใช้จิตของเราเนี่ยตามดูอาจารย์ดูอารมณ์ ไม่ไม่ไม่ดูไม่ดูทั้งนั้นเวลานั่งสมาธิไม่ให้ดูอะไรให้มันว่างไปนานๆให้มันนิ่งไปนานๆอ๋อครับก็คือให้มันนิ่นานเรื่อยๆใช่ไหมเป็นช่วโมงไปเลยให้มันเข้าชานเป็นชั่วโมงไปเลยไม่เวลาเวลาย่าดูอะไรให้ออกมาก่อนออกจากสมาธิมานะการดูรูปเสียงจิตนอสทิมมาสั่นไปกับตาหูจมูกวิ้นกายครับครับ คือผมเข้าใจว่าเวลาผมนั่งสมาธิแล้วพอจิตเริ่มนิ่งเนี่ยเวลานิ่งเนี่ยมันก็จะเข้าใจเข้าใจไม่ไ่ไม่มันม่งม่ไอ่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่้ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่่ไ่มม่ไ่ม่ไม่ม่ไ่ไม่ไม่่ไมม่ไม่ไ่ม่ไม่่ไ่ไม่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่ไมกไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไม่ไม่ม่ม่ไม่ไม่ไมอไม่ม่ม่่ม่่ม มันจะได้นเนเ น, เ น, เ น, นา น, นเวลาจากสมาธิมามันก็ยังยังเน่งต่อแล้วตอนนั้นถึงยาวไปใช้กับการพิจารณาปัญญาได้อืมมันถ้าสมมติว่าจิตเราความคิดเรามันพิจารณาไปเองแล้วก็ตัดความคิดนั้นออกคือเราก็เพ่งความว่างไปไเรื่อยๆตอนตอนนั้นสมาธิต้องหมมันคิดนะอ๋อครับอืมเรามาพิจารณา ตอนที่เราออกจากสมาธิแล้วอันนี้คือวิปัสนาใช่ไหมครับใช่ตอนออกจากสมาธิกแล้ว เ, เราก็เริ่มคิดก็ให้มันมาคิดทางวิปัสนาอย่าให้มันไปคิดทางทีลรครับออขออนุญาตเล่าเล่าเรื่องให้พระอาจารย์ฟังครับอ๋อแนี่นเด็กเวลาไม่มีแล้วขออภัยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพระอาจารย์โอเคสคั้งมีคนรอเยอะเวลาแค่เครื่องจักรหัวนะครับโอเคนะดีแล้วปฏิบัติไปดีแล้วนะ ไม่ต้องดูเดยอะไม่ต้องเล่าให้ฟังครับรู้จุดของเราคนเดียวพอเป้ า, เาหมายก็คือดับความทุกข์ดับที่เละเทะนี่ครับอเองนะขอบคุณครับดับสมาชิกลับแก่หายครึ่งไปเลยหายเป็นปีแล้ ว, วเนี่ยย้อนกาลครับอาจารย์ไม่ถึงปีครับอาจารย์ครับ อ่แต่อยู่ข้างนอกก็ติดตามฟังดูอยู่เรื่อยตลอดครับแต่เขาเข้าบางทีก็เข้าไม่ได้อะเพราะว่าคนแน่นๆนะครับแต่ก็ติดตามฟังตลอดครับแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วได้ไปปีกวิเวทบนเขาครับมีรูปกฤตที่บนเขานี่ยถ่ายไหเหรครับใช่ครับสวยดีนะครับดูเลยครับครับให้ระลึกสิ่งตอนที่ไปครับ วันนี้มีเรื่องกายคตาครับอาจารย์เมื่อเดือนที่แล้วที่พระอาจารย์เทศว่ามีโพสต์ไฟล์ขึ้นไปเดกูในในเฟซบุ๊กหนังสือกายคตาของหลวงตามหาบัวผ <fifth> มก็รีบไปดาวน์โหลดมาดูเลยทีนี้ในขออ น, นุญ า, าตใส่แว่นตาเพราะสายตาไม่ค่อยจัดนะครับเอพอไปดาวน์โหลดมาปุ๊บรู้สึกว่าดูในมือถือมันไม่ค่อยถนัดเพราะมันต้องเลื่อนไปเลื่อนมาก็เลย ไปเซิร์จคูเกิลหาหนังสือปรากฏว่ามีร้านขายหนังสือเก่าเขามีหนังสืออยู่พาก้าไปก็เลยซื้อมาสองเล่มครับเล่ ม, มละสามร้้าสิบกับกัว่าจะเอาเล่มหนึ่งไปไปใส่ไว้นในตู้หนังสือที่ศาลาบนเขาครับก็ดีพ็ดีใครชาเอีายจะดูได้ครับครับแล้วก็เขามีเยอะมเขามีขายเยอะไหก็มีๆๆมีๆๆมๆๆม ผมเขาเขาบอกว่ามีเยอะครับแต่ผมก็รับมาแค่สองเล่มครับแล้วธรรมดานังสือ้อหลงการท่านเอไว้แจกแต่ก็อย่างว่านะคนเขาก็ อ, อยากจะหาเป็ประโยชน์ครับใช่แล้วก็ตอนนี้ก็เอามาอ่านก่อนนอนเป็นหนังสือหายากไออยากพิจารณาเรื่องร่างกายเนี้ยดีครับผมอ่านหมดแล้วก็รู้สึก ด, ดีมากๆเลยครับแล้วก็ ไ ด, ได้ได้รับคำสอนเราก็ได้ดูรูปภาพได้มันระงับเหมือน อ, อยาห้ามเลือดชะงักเลยครับพอาจ <Okay. S 1> ารย์ครับแล้วผมปฏิบัติมาในระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองยังมีเรื่องการมราคะเนี่ยครับที่มันยังข้างค่อนข้างที่จะอยู่แต่ยังแต่เวลามันเบาบางลงเนี่ยมันจะไปโผล่ตอนนอนครับ mm. มันก็ควบคุมไม่ได้ตอนนอนแต่องก็ต้องเอาเอาภาพที่เราดูแลให้มันขึ้นมาให้ทัน ต, ต้องดูบ่อยๆท่าว่ามันจะขึ้นมาคอ่าก็เลยจะถามอาจารย์ว่าไอตอนที่เราจําภาพเนี้ยเราต้องทําเหมือนพูดโททั้งวันเลยไหมครับใช่แบบเดียวกันคนระับแบบเดียวกันเลยครับเพราะว่าในเวลาดูปัจจุบันเนี้ยมาเดินไปเจ อ, อผู้หญิงสวยๆปุ๊บมันเด้งขึ้นมาเลยครับ มันเหมือนมันแทบจะชนกันเลยมันมันซ้อนกันขึ้นมาเลยครับก็เลยแต่เวลนอนแต่เลนอนนี่มันไม่ค่อยสติไม่น่อยดีครับครับเวลานอนนี้มันจะออกมาทางร่างกายของครับก็เลยก็พยายามพยายามดึงมันออกมาให้ได้ต้องดึงดูดให้มากมากอืมครับพออเรียนถามพระอาจารย์ว่ามันใช้วิธีการเดียวกันกับที่พระอาจารย์สอน คือให้มันจําจดจํำในใจเราเราต้องให้มันอ่อยู่ในสมาธิจนอุเบกขาออกมาแล้วใช้กําลังตอนนั้นมาพิจารณาตัดให้สุดเลยไหมครับณ เ, เวลานั้นไหมครับ เ, เวลาจะตัดทำเราให้มันโผล่ขึ้มาก่อนถึงจะตัดมันได้โอทํา้าวาให้โผล่ขึมาแล้วก็เพียงแต่ทับตัดบ้างเต็บดูไว้ก่อนเนี่ยเอาในภาพเราทให้มันจดจำอยู่ใน ใ, นใจเราตลอดเวลา แล้วเร า, เาจะสร้างให้พอวเอวลามันถูกขึ้นมาก็ดูซิว่าเราดึงผ้าเหล่านี้ออกมามาตัดมันได้มาถ้าไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่พอของเรายังไม่พอก็ต้องกลับไปซ่อมใหม่แล้วถ้าถ้าถ้าในกรณีที่เออเราเหมือนแบบไม่รู้สึกอะไรแล้วแล้วเออเรา ี่คืออยากรู้ว<ต>่<ร>าถ้านอนหลับฝ <ขอ S 2> ันไปรถ้านอนหลับฝันไปกปแ็แสดงว่ามันเป็นเรื่องส่วนวิสัยเพรนั้นเราไม่มีสติกแ็แสดงว่าเรายังตัดไม่ขาดยังตั ด, ตดไมงขาดถ้าตัดขาดมันมันเวลาการในฝันเนี่มมันก็มีภาพขึ้นกระสุนในฝันมันมันจะมีความรู้สึกปิ้งเหมือนเหมือนตัวอื่นๆไหมครับก็เหมือนกันนั่นแหละเวลาเข้าใจก็เป็นเวลา เวลาปรับวิเลได้ใจสงบได้แล้วก็เป็นทั้งหมดอาจารย์ตัวธรรมมาลาค้าเนี่ยมันอสุภัเนี่ยมันเป็นตัวไทยท้ายเลยมันอย่างที่ว่าตัวอย่างที่ตัวตัวสกายยะทิฏฐิครับเมื่อนำผ่านสกายยะทิฏฐิไปกล่าวนิยยาไปสู่ในตัวการมราค้าได้แล้วในส่วนที่เป็นอุลูปชารูปชาอันนี้ มันมนตนัต้องผ่านต้องผ่านผ่านทั้งเรื่องร่าง ก, กายไปให้ให้หมดก่อนตามเรื่องร่าง ก, กายให้หมดก่อนอาไรเงี้ยเข้าไปถึงในตัวจิตได้นล้วลูกประชานะลูกประชานอยในจิตมันต้องเรียงตามจากัหนึ่งไปถึงจิตตามลําดั บ, ดบใช่เรากระโดดข้ามไม่ได้ก็เหมือนกันเรียนปัญญาตีโทเนี่เองข้ามได้บแต่ในกรณีที่ พิจารณากายคตาเราพุ่งไปที่อสุภะมันเป็นตัวท้ายท้ายเลยถ้าเกิดมันอาจจะยู่ได้มันพััไปครั้งเป็นาวแต่มันจะไม่ได้ตัอย่างภาพครับไว้กับขั้นขั้นน้ำจัดผัดเป็นโดาบันไปเรามันยึดตัดได้อย่างภาพคั้าอย่างวิญาุชอยนี้ก้าวมันก็ทำได้เป็นพัพักเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เลยแต่ถ้าเป็นระอริยบุคคลไม่เผลอไม่เลย เอามาตั้งให้มันตลอดเวลาเหมือนมู้ท่านกันตลอดเวลาพอกิเลสพอขึ้นมาปั้มมันก็มันก็ตอบหัวมันได้ทันทีมันเหมือนมันขึ้นมาชนเลยออมันชนเลยมันบังคับขึ้นมาเลยก็ทำมันไม่กล้ขึ้นมาพอดนในหนังสือกายยคตาท่านเขียนว่าจนรู้สึกว่ามันเท่ากันเลยระหว่างสวยกับไม่สวยใช่มันทานกันทานกัน กความสวยไม่กล้าขึ้นมาความสวยปั๊บความไม่สวยขึ้นมาแ ย, ย้งทันทีอืมีปฏิบัติดีนนอีกคำถามหนึ่งครับอาจารย์สุดท้ายในอสุภะนี่มันมีหลายตัวเราจำเป็นต้องไล่ไให้ครบทุกตัวในการพิจารณาหรือว่าเอาตัวไหนก็ได้ตัวที่บนันชันหยุดหยุดตามราคาน้าเราถูกัหมถ้าตัดเฉลยเราเะเาตัวไหนก็ได้ กลับขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับคสาธุคุณตายงานคุณตายได้ยินไหยหลับแล้วเหรอเองน้องกับนมัมนส ก, การไม่ได้หลับค่ะนั่งฟังคำพระอาจารย์ครับอาจารย์โอเคไม่มีอะไรใช่ไหมวันนี้ไม่มีอะไรคะ่ะพระอาจารย์รู้เรื่องรับฟังคฟังรูเ้เร่ไปท่พูดอะไรไป เรื่องค่ะเรื่องละเรื่องละคำะกรคำะอะไรน่ะสักอย่างนะอาจารย์เรียนหนูรู้ด้วยถูกใช่ค่ะก็ฟังพี่เขาอยู่ฟังหลายๆคนที่ดูว่ามีเรื่องราวมาใกล้ของตัวเองหรือเปล่าก็จะเอานําไปปรับใช้อ่ะค่ะอาจารย์อดี่ัำไปเรื่อยๆนะจะได้เรียนรู้ไปวิธีการปฏิบัติเจ้าค่ะอาจารย์อถึงไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีค่ะ คุณเอคุณแอนยคุณแอนเลยคุณแอนแอนแล้วคุณเอเชิญบดไที่ไหนกบพ้าจาย์ชัดอยู่เพชรเกษมเจ็ดเจ็ดครับชื่ออะไรเอ๋ชื่อชื่อเอครับเอครับประธานเกียติยไม่จตวาครับอยู่อยู่เพชรเกษมเจ็ดเจ็ดครับเพชร เสมหนองแขมมีอะไรไหม อ, อ่ไม่ไม่มีครับเข้ามาฟังครับโอ okay. เคก็ไปค่ะถ้าเวลามันอดน้อยแล้วครับค่นะผู้อาวุโครั บ, าาร ค, รบคนทาวันไหเดิอนทาวันไห้าหยอคการมรดกาศการครับผูอ้อาวุโครับที่เคยได้เรียนมาค่เรื่องของกลแยกกับจิตะคะ่ะหนูเพิ่งเพิ่งได้กันบ้าน มาแต่ว่าไม่ก็ไม่ได้เยอะนะคะพอดีว่าเคยไปกดน้ำดื่มที่ที่ทำงานฐานนะคะแล้วปรากฏว่าโดนไอตัวเวนเดอร์ไอตัวเปิดปิดมันไปบาดนิ้วซึ่งมันก็ทำให้เจ็บแล้วก็มีเลือดค่อยค่อยซึมมาแต่ว่าคือถ้าเป็นเมื่อก่อนมันอาจจะแบบมันอาจจะใช้หนวใช้วิธีภาวนาเจ็บหนอเจ็บหนอค่ะแต่ว่าพอเรียนธรรมะกับพระอาจารย์หนูก็เลยมาพิจารณา บาดแผลค่ะแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปพอเสร็จปุ๊บหนูก็ค่อยๆเช็ดเอาเลือดออกแล้วก็พอมันหายปุ๊บหนูกค่อยเอาปัสเตอร์ปิดหนูก็เลยมารู้ว่าอ๋อนิ้อมันเจ็บมันสั่นแล้วมันก็มีบาดแผลแต่ว่าเราเป็นผู้ผู้ผู้ดูผู้รู้อยู่เจ็บก็เจ็บไปแต่ว่าเราก็เป็นแค่ผู้ดูเลียค่ะก็เลยมันมันเลยเหมือนเหมือนอยากรู้เพิ่มเติมที่ถามพระอาจารย์ว่า การดูจิตนะคะ ก, ก็เลยเริ่มเริ่มค่อยๆทํามากขึ้นอย่างเช่นที่ถามพระอาจารย์ว่าพอเริ่มรู้ว่าเราโกหกรู้รู้ว่าเราเริ่มเริ่มคิดหรือมีความรู้สึกอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆตัดออกแล้วก็ตัดออกแต่ว่าในบางจังหวะที่ทํางานหรือนีไรเราก็จะเผลอบ้างะคะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ก็ทักต้องกลับไปคือถ้าเราไปดูจิตเยอะๆคือต้องกลับไปสลับกับการ มีสติกับกับเข้าสมาธิให้ให้มันอยู่ในลิมิตที่เท่ากันไหมคะหรือว่าต้องทําให้มากก่อนคื อ, อมันต้องเป็นว่าเราหยุดจิตได้บ่าถ้าหยุดจิตไม่ได้ก็สแสดงสมาธิเรามีกํำลังน้อยหยุดกิเลสได้บ่าถ้าหยุดไม่ได้ก็สแสดงเราสมาธิยังไม่พอถ้าหยุดได้ก็แสดงว่าสมาธิเราพอพ อ, อ, อกดปุ๊บก็หยุดเป็นได้เลย รลั้งไปหยุดมันได้เลยเหมือนว่ากำลังจะเริ่มโกรธพอเริ่มกดปุ๊บก็เอากดทำไมอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็ออ ก, ออกเลยก็ลองดูมันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยหรือเปล่าอยุ่ได้ทันทีตันใดตลอดเวลากันเปล่าพอเราฝึกตรงนี้เสร็จปุ๊บมันมันจะมีผูเบกขาเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมเจ้าคะ ถ้ามันหยุดนั่ ง, งมันก็มันก็แสดงว่ามันก็ต้องอยู่เพรีย์กายได้เจ้าค่ะมีมีคำถามแค่นี้เจ้าค่ะโอเคอ่ามันได้แผนไ้แผนอย่ายาว้วคำถามอันนี้มันเวลาน้อยแล้วเราเอาพอของป่าข อ, อพอเปาองป่าเจ้าค่ะเออมันไมีอะไรไหมโอสงสัยว่า ถ้าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเราอะค่ะเออเสียภาษีไม่ได้ถูกต้องขนาดนั้นนะคะเรามาถึงว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เรถ้าเรารับมรอโดหรือใช้เงินท่านนี้เป็นบาปด้วยไหมเจ้าคะไม่เป็นอะไม่เป็นบาปอยู่กับ ท, ท่านไม่ได้อยู่กับเราคนก็มอาเงินมาใส่บาปนี่าไม่บาปอ๋อแล้วถ้าสม ม, มุติว่า ลูกจ้างอ่ะเจ้าค่ะเขามาถึงว่าจ้างลูกจ้างแล้วไม่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ทำประกันสังคมให้แล้วเราใช้งานลูกจ้างไปด้วยนี่เราเป็นไรไหมเจ้าค่ะผิดสินห้าไหมเจ้าค่ะเราไม่ได้เป็นคนจ้างนี่เปิดงาอยู่ที่คนจ้างโอเจ้าค่ะโอเคไม่ใช่นี่แหละไม่เจ้าค่ะ ค่ะคุณเชลินดาน USA Maryland กรับนำมัสการพระาจารย์เจ้าค่ะขึ <c oughs> ้นมากรปบท่านนะคะแล้วก็มาที่ไรก็ละอายใจพะจารย์ปิดซีรีส์แล้วติดอะไร <c oughs> ตอนนี้ติดเพลงค่ะพระจารย์เพลงยุ่ง กิเลศมันเล่นงานค่ะพระอาจารย์ยมชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบละครเวทีคว น, นี้พอเอาสองอย่างมารวมกันยงก็เลยหยุนไปได้เลยค่ะพระอาจารย์ร้ <c oughs> <c oughs> องเพลงใหญ่เลยค่ะพระอาจารย <c oughs> ไร์ไม่สำรวจเป็นสีไม่สำรวจตาผมจะบกมทั้งกายโอ้ยยมรู้สึกผิดแล้วค่ะยมก็พยายามค่ะแต่ยมคิดว่ากิเลศมันเล่นงานจริงๆยมจะพยายามห้ามใจาใจไม่ได้เราบรรยากา<ม>ขึ้นมาห้ามห้ามไม่ไหว พอเวลามันเป็นเพลงขึ้นมายงก็ร้องแล้วมันต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วก็ไปตามหา y o u ูทูบว่าแล้วเขาก็ร้องเพลงอื่นอีกไหมีใครบ้างมันก็เลยไปเลอกับอาจารย์เพลงไทยกัเพลงเพลงเพลงสากลเพลงสากลครับอาจารย์ค่ะอาจารย์ก็จะพยายามเป็นเพลงเก่าด้วยค่ะทั้งอาจารย์ก็เก่าของเก่าค่ะก็เป็นยี่สิบกว่าปีแล้วยงก็ชอบอะค่ะแล้วก็ โยงก็ยังเจริญสติอยู่นะคะท่านพระอาจารย์แล้วก็แต่มันน้อยลงมากเลยค่ะสติมันลดลงค่ะสติแบบกิเลสไม่ใช่สติแบบธรรมมันน้อยลงมากค่ะแต่ก็ยังนั่งสมาธิไม่เปลี่ยนเลยนะคะยังนั่งทุกวันยังนั่งทุกวันแต่มันก็ไม่ได้ผล่ะพระอาจารย์มันมันเป็นไม่ช้าสติไม่ใช่สมาสติอ่โยงก็เลยรู้สึกผิดมากเลยค่ะละอายใจทุกครั้งที่ได้เข้ามาสนทนาธรรมค่ะไม่ต้องรำไรหรอกไม่เป็นไรท่า พวกเราทุกคนมีกิเลยกันทุกคนค่ะ ม, ม, มันไม่<ป>น้อยท่านเองค่ะพระอาจารย์คือยอมรู้สึกว่าพอมันได้ดีปุ๊บแต่เมื่อไม่ได้ทาอย่างต่อเนื่องมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมันมีการกระทบกระแทกจากสิ่งรอกค้างแล้วบางทีเนี่ยอย่างเเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็มีงานนะคะใหะ้เราสามารถไปงานมีทั้งดารานักร้องจากเมืองไทยเขาก็มาแต่ยมก็ตัดสินใจที่จะไม่ไปเพราะยมรู้สึกว่ามันเราไม่ไ ด, เไได้เราไม่ได้ต้องการไปอย่างนั้น เราพยายามหาเหมือนอย่างที่คุณสุพตาบอกนะคะโยมรู้สึกว่าบางทีเราอยากจะปฏิบัติมากๆแต่มันมีสิ่งรอบตัวเข้ามาแต่โยมก็เลยรู้สึกว่ามันมันยากอะค่ะท่านพระอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวพ่อแม่แล้วก็ญาติที่เมืองไทยก็จะมาเยี่ยมด้วยเขาก็อยากจะให้เราพาไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้โยมก็รู้สึกว่ามันมันก็จะยากขึ้นสําหรับโยมในการเจริญสติรักษาสมาธิอะค่ะแต่มันจำเป็นก็ไม่ก็ต้องก็ต้องเยเพืครับ เป็นการเสียสละเมตตาไปแล้วกันแต่อยา่าทำเพราะความอยากของเราอีก็ล้ยมไม่ได้อยากไปอ่ะค่ะแต่ยมก็ต้องก็ก็มันมีเหตุมีผลยมก็ต้องอค่ถ้ามีเหตุมีผลก็ยังไม่ถือว่าเป็นกิเลสมากเกินไปเจ้าค่ะแต่เป็นแต่เป็นเพราะสาเหตุนี้มันทำมันก็เลยทําให้เราไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องหรือว่ามันหยุดปล่อยก็มันที่กระบอกขับรถมันยังไม่ได้เคลืนทางด้วยอเลยติดนู่นติดนี่ไปเรื่อย ค่ะท่านพระอาจารย์ก็เลยทุกวันนี้ก็เลยเป็นอย่างนี้แล้วค่ะท่านพระอาจารย์ อ, อก็ไม่มีคําถามแล้วค่ะไปดองไปยามถ้าเวลาไม่มีเถ้าให้เราไปทำก็อย่าไปทำมาแค่ ะ, คะอย่าดิน้นอย่าดิน<ม>ด้นไม่ทาอย่าดิ้นไม่ทำเองถ้ามีเหตุให้ทํามาทําวันโยมเอาทั้งสองทางเลยค่ะท่านพระอาจารย์ทั้ทงสอยงยามไม่มีเหตุก้าวที่ที่วัดมีปฏิบัติวันเสาร์ที่วัดแถวบ้านโย ม, มค่ะโยมก็ไปปฏิบัติ เดินจงกรมนั่งสมาธิที่วัดแต่พอเขาปฏิบัติเสร็จก็มีแก๊งเขาก็จะคุยกันยมก็ไปนั่งคุยด้วยอาฉะนั้น <laughs> มันก็เลยมันก็เลยรู้สึกว่าหรือยมไม่ควรจะไปปฏิบัติที่บ้านเองดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปสูงสิงกับเขาดีกว่าอาอย่างว่ามันได้ยังเสียอย่างค่ะค่ะถ้าอยู่บ้านกันจะได้อย่างเดียวไม่มีอะไรเสียเลยไม่อแล้วก็วแล้วก็อัดไปยูทู บ, บ, ด, บ ด, ดูไม่ได้เลย <laughs> สงสัยผิดอยู่เนี่ยค่ะค่ะพระอาจารย์ต้องปฏิบัติต่อไปจนกว่าจะวันหนึ่งที่หมดภาราเราถึงจะได้ปฏิบัติจริงจังอะค่ะท่านพระอาจารย์ไม่ดีอที่เขาทำไม่เป็นไรไม่ทิ้งค่ะกบขอบคุณพระอาจารย์มากนะคะขอทักขันแข็งแรงคุณบไม่ได้ฝากข้อความมาไหเออไม่ได้ฝากอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอยู่ก็จอหาพอดีว่าช่วงนี้จิ๊บเขามีเพื่อนมาเยี่ยมจากต่างแดนค่ะพระอาจารย์ไม่เป็นไร ตอบตอบที่ทไ่ให้ก็หน่อยก็แล้วกันได้เลยค่ะพระอาจารย์กขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะพราจารย์คุณนั่งคุณน้องเล่นๆใช่ไหมแม่แม่ทำเร็นพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะพระอาจารย์ได้ยินแล้วได้ยินแล้วเจ้ค่ะพระอาจารย์พอดีว่าหนูก็จะมารายงานการปฏิบัติอะค่ะอันนี้เรื่องความรทดลองใช่ค่ะเจ้าค่ะ เจ้าค่ะพอดีว่าสามีปวดขาใช่ไหมเจ้าค่ะหนูก็เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการบรรเทาอาการปวดเจ้าค่ะพระอาจารย์ทีนี้พอทําให้เขาเขาหายปวดหนูกับการมันเป็นปวดเองก็คือเส้นตึงขาแข็งเลยเจ้าค่ะก็เลยต้องลาเมื่อวานหนูก็เลยลาเจ้าค่ะแล้วก็นอนประครบประครบร้อนแล้วก็นอนสมาธิก็คือร่างกายก็เอาประครบร้อนไว้ ส่วนนอนก็ทําสมาธิเจ้าค่ะพระอาจารย์เมื่อวานวานก็ขอทั้งวันนะคะพอวันนี้ก็ไปทํางานได้ปกติก็นั่งรถมีเจ้าค่ะแล้วทีนี้พอดีว่ามีผู้สูงอายุยืนอยู่ข้างๆก็หนูก็นั่งไงคะหนูก็เซฟร่างกายด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่หนูก็เออก็สงสารเพราะเห็นยืนปวดยืนนะคะผู้สูงอายุก็อยากจะแลกให้นั่งแต่ว่าลืมไปแต่ว่า ร่างกายหนูก็ยังปวดขาอยู่มีปวดขาอยู่เล็กน้อยเจ้าค่ะก็เลยไม่ได้ให้คนบนรถเมย์มานั่งเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยถามว่าอันนี้มันเรื่องความเมตตาเ<ม>จ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ได้บุญนะไม่ได้อุญบางทีเราก็ทําไม่ได้บางทีไม่มีกรเงินทำร่างกายเราไม่มีกําลังที่จะทําได้กลยต้องทำใจไปดูไปคาไปอ๋อเจ้าค่ะนี่แหละค่ะประมาณนี้ค่ะก็ยัง อย่าไปทุกข์อย่าไปเพราะเราไม่ได้ทําุว่าไม่สามารถทําุได้บางครั้งเมาบางเวลาก็ไม่อยู่ในสภาพที่จะทําทได้เราต้องก็ต้องอยา่าไปทุกข์กับมันอย่ารับรความเป<ข>็นจริงถ้าทําได้แล้ไม่ทำอันนียน่าจะทาเลยเราเองใช่ไหม<ช> ถ, ถ้าเราถ้าเราทําไม่ได้จริงจริแล้วก็ต้องเราก็ต้องทําใจอย่าไปเสียจใ จ, ใจอย่าไปทุกข์ขอพระเจ้าก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเจ้าค่ะ มานนีก่อนนะบนแล้วใช่ไหมเจ้าหา่ะไม่ได้คุยในห้อ่ะนนีังเจอคุณทิ้ ง, ง, ง, ง, ง, งอัธยาอาเชิญพูได้เลยได้ยินแล้วได้ยินแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ก็ไม่มีอะไรที่จะถามพระอาจารย์ก็จะปฏิบัติไปเรื่อยๆนะคะก็จำคทำที่อาจารย์เรับอกไว้ตั้งแต่นู่นมาตลคำแล้วก็ครั้งล่าสุดที่ใต้วัดนะคะที่พระอาจารย์บอกว่า คุณนิ้งรู้แล้ววางเฉยแล้วก็วางเฉยหนูก็นั่งออกมาณแล้วก็มานั่งคิดประมาณเกือบชั่วโมงแล้วค่ะก็เข้าใจครับพระอาจารย์แล้วก็เลยมานั่งปฏิบัติต่อไปแล้วว่าคืออะไรยังไงนะคะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าได้ได้ความรู้จากอ่ากัลยาณมิตรที่อยู่ในนี้แล้วก็คําตอบที่พระอาจารย์ให้นะคะ่ะพระอาจารย์ก็พายายามที่จะปฏิบัติต่อไปะครับพระอาจารย์ ่มปฏิวัติเพื่อปล่อยวางทุกอย่างไม่ไปแบกไม่หาไม่ไปทุกข์กับใครดูแลทําหน้าที่เราให้เต็มที่ค่ะตั้งแต่ไพศา์บอกนะคะเมตตาแล้วก็ทาหน้าที่แล้วก็รู้แล้ววางเฉยรู้แล้วปล่อยวางแล้วก็อ่านหนังสือขพ่อองกับอาจารย์ก็กิริตก็จะพาไปบ้างค่ะไปดูวอลเลย์บอลอะไรอย่างนี้ภัอาจารย์ ลูกนี้นั่นบ้างคะคบะต้องคอยมันกลับมามันไม่มามันมันมันมันมันหลายบ้ากเกินบางทีก็หอบก็ไปบ้างค่ะพ่อชอบชอบกีฬาบ้างก็ไม่มีหรอก้องยอมปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็สวดมนต์ทุกวันค่ะพระอาจารย์ก็นั่งควายเต่แล้วมันเป็นความสุขชั่วข้าวซึ่งกับกานั่งสมาธิดีกว่าเป็นความสุขถาวรกว่า <Okay. S 2> อ่าพระอาจารย์รู้เลยว่าใจมีสึกสมองโล่งมากเลยถ้าเจอปัญหาก็ให้ให้รู้ว่าอ๋อมาละก็ไม่เป็นไรก็แค่รับรู้ก็แก้ปัญหาไปครับอาจารย์แก้ไม่ได้ก็เฉยๆบ้า ง, อ, งอ ย, าอยา่างน<ป>ี้ค่ะแกแก้ไม่ได้ก็ปล่อยไปอามพระอาจารย์ก็พยายามทำค่ะก็ดูปูนดูป้องปูนค่ะพระอาจารย์ อ, อ่าไม่ตห้เราฟังคนคน เลาการเวลาคำถามจากเฟซบุ๊กและยูทูบมามีคุณ ม, มีคำถามจากทางเฟซบุ๊กและ youtube ทั้งหมดห้าคำถามค่ะคำถามแรกจากคุณพลังทำไมนั่งสมาธิมันยากจังครับก็มันเป็นขอที่เราไม่เคยทำเลยมันก็เลยยากอย่างไปเที่ยวนะี่มันง่ายเ่อเราเคยทำมาจนชำนาญช่ำชอง คำถามต่อไปจากคุณนภัสน้อมกราบพระอาจารย์ค่ะถ้าเราฝากเงินคนไปทําบุญคนที่รับฝากจะได้บุญเพิ่มขึ้นไหมคะก็ได้เขาได้บุญจากการที่เขารับใช้เราแต่ไม่ได้บุญจากเงินของเราไม่นขอเรานี่เป็นของเราเรา้อยเอร์เซ็ส่วนที่เขาได้ก็คือการได้บุญจากการที่ได้ช่วยเหลือเราเอามันนี่ไปทําบุญให้กับเราคนมาบุญกันด้วยเขาะรอย่างน คำถามต่อไปจากคุณสุกัญญาถ้าเรารู้สึกหดหูและเบื่อเราจะทำอย่างไรดีคะับใจให้นิ่งใช้น้งสบายที่เร า, ารรไปกับพุทโธพุทโธไปย่นกว่าใจนะนิ่งแล้วก็จะหายหดคาถามต่อไปจากคุณมัลลิกาน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่า เวลาไปทำบุญจะมีคนไม่เห็นด้วยทำให้ลูกไม่สบายใจแล้วเขาจะบาปไหมเจ้าคะแล้วมีแนวทางแก้ไขอย่างไรที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายสบายใจเจ้าคะน้อมกราบสาธุเจ้าคะปัญหาอยู่ที่เราเราปรยัดให้เขาเห็นด้วยกับเห็นดเนีเห็นชอบกับการทาบุญของเราแต่เขาอาจจะไม่ชอบทาบุญเขาว่าไม่เห็นดีเห็นชอบกับเราเราก็ต้องยอมรับว่าเรามีความแตกต่างกัน ความความคิดความอะไรไม่เหมือนกันเขาไม่ชอบทำบนญเราชอบทำนั้นเราก็อย่าไปหวงังหรืออยากไปอยากให้เขามาเห็นดีเห็นงามกแบบับการทำบุญของเราเราก็ทำเราก็ทำของเราไปมันก็จะเห็นดีเห็นงามไม่ก็เป็นเรื่องของเขาเราบางาังคับเขาไม่ได้เราอย่าไปทุกข์กับเขาไม่ใจนะเรื่องทำบุญนี้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกัน ใครทำไใครก็ได้ครับไม่ทำก็ไม่ได้แล้วก็ไปบังคับไปช่วยเขาไม่ได้แต่ก็ไม่ทําช่วยก็ได้แต่เขาไม่ถ้าเขาไม่ท ำ, ทำแล้วเราก็เราก็ต้องหยุดไปก็ไม่ต้องไปบอกเขว่าเราไปทําบุญแล้วก็ทําคนออกไปคุณถามสุดท้ายจากคุณวาดสนังน้อมกราบเรียนถามครับว่าคําว่าปฏิบัติกรรมฐาน หมายถึงทํางานด้านจิตตภาวนาเป็นหลักใหญ่ตั้งแต่ตื่นจนหลับกระผมเข้าใจถูกต้องไหมครับน้อมความขอบคุณาอาจารย์กรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เราใช้ในการควบคุมใจให้เกิดความสงบนึกเกิดปัญญากรรมฐานสี่สิบก็ถือว่าเป็นการพูดแบบจิตตภาวนาหรือแทนคําว่าจิตตภาวนาก็ได้ปฏิบัติกรรมฐานโอเคนะหมดแล้วนะนะคําถาม หมดรียนงเวลาปัญหามหมดแล้วเจ้าค่ะอเหมดแล้วก็เวลาก็หมดตุดียวรอคือ น, นี้ก็ขอให้ท่านจงนำว่าสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเถอะ